อาจารย์ครับการธรรมสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพอาจารย์ครับวันนี้มีคนมารอก่อ น, รออนพระอาจารย์เข้ามาทั้งเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดคนแล้วครับอาจารย์อโอค้มารอดีมากมาขอดีมา้ครับผมมีมีคนสนใจเต็มเลยครับว่าเราเกิดมาทำไมแตอนนี้พันกว่าคนแล้วครับอาจารย์ครับแต่ก่อนเข้าหัวข้อพระอาจารย์ครับวันนี้ไปบินธบุรคนเยอะไหมครับผมสี่ร้ยี่สบ็ดวันนี้คนเยอะพอสมควร ครับผ ม, มครับงั้นก็ขอโอกาสเลยครับพระอาจารย์วันนี้ผมว่าทุกคนอยากฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเราเกิดมาทำไมครับพระอาจารย์ครับกราบขอบความเมตตาครับผมกอนที่เราจะตอบคำถามว่าเกิดมาทำไมได้เราก็ต้องไปที่เหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดคืออะไรเหตุที่ราเกิดพระพเจ้กาก็ทรงแสดงไว้ในอริยสัจสี่ว่า ตัณหาความอยาก3ประการด้วยกันการมาตัณหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือความอยากมีอย่างเป็นความอยากไม่มีอย่างไม่เป็นอันนี้หมายถึงท่าความอยากที่จริงๆแล้วก็คือความอยากสำหรับผู้ที่ได้เสพ ร, รูปประชานเ็าเรียกาวาเปาะตัณหาการเสพรูปประชานตายไปก็ไปอยู่บนพรหมโลก เรเสื่อมจากรูปฌปานก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาบำเพ็ญสมาธิเพื่อเข้าไปสู่รูปฌานใหม่เหรภวาวะตัณหาที่มีความหมายได้สองอย่างความอยากมีอยากเป็นก็ได้ทั้งถ้าทางกางก็คืออยากได้ลาบยศสารเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าทางทา ง, ทางจิตใจก็อยากจะได้ความสมบัจากรูปฌานก็เป็นความอยากได้อย่างมี แล้วความอยากไม่ไม่ได้อยากไม่มีนั่นคือความอยากได้เอาลูประชานคือรูกประชานไม่เอาจะเอาแบบอาลูกประชานเอาเอาชาตแบบไม่มีรูปก็เลยเป็นไม่ภาวะตัณหาหรือว่าสําหรับคนที่อยากต็มในกามอยู่ก็อยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะถ้าถ้าไม่แก่ถ้าถ้าเป็นอะไรไปมันก็จะไม่สามารถเสพกามได้ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายแก่ ร่างกายตายแล้วก็ไม่สามารถเสพได้ครับมีความเพียรพยายามที่จะรักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายกันนี่แหละคือสาเหตุที่พาให้สัตว์โลกที่อยู่ในใต้ภพกล้ามาพบรูปพบอา ร, รมณ์พบต้องกลับมาเกิดกันเพราะพบต่างๆที่ไปเสพนั้นเป็นอนิจจามันพบชั่วข่าวเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ได้ชั่วคราวก็ตายไป พบของพรมก็เหมือนกันรูปประพรมรูปประรมก็อยู่ได้ชั่วข่าวพอเสื่อมลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปพวกที่จะได้บำเพ็ญใหม่พวกที่พวกที่เสพการเ้าก็จะมาเป็นเป็ น, ปนมาเป็นพวกคลรวาทุกข์คองเดือนอยางญาณโยนี้เป็นพวกเสพการนะแต่พวกที่มาบวชนี่ยพวกนัก บ, บวชนี่ก็เป็นพวกที่อยากจะเสพรูปประชานะรูปประชาน เราแต่ละคนที่มามาอยู่ในโลกนี้มีความต้องการต่างกันคนกลุ่มใหญ่ก็จะชอบเสพรูก ป, ประชาอะเสพกรามกรามาการมาคุณห้าก็เป็นค า, า, ารวะมาหาโลกธรรมหาความสุขจากโลกธรรมราบชดสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนพวกพวกที่เสพรูปประชานะลูก ป, ประชาก็อยากจะไปเป็นนักบวชเพราะเขาไม่เอาทางกามกามนักเสก็ว่ามัน มันเป็นความสุขแบบหยาบเขาเคยเสพสัมผัสกับความสุขแบบละเอียดกว่าที่เหนือกว่าความสุขทางกลางเขาก็เลยอยากจะกลับไปเสพรูปประชานะรูปประชานเลยเราก็เลยมีคนอยู่สองสอ ง, ส, อ ง, ส, องสามจำพวกด้วยกันพวกที่เป็นคาราวาสผู้คนอื่นพวกที่เป็นนักบวชพู้นักบวชก็มีสองพวกพวกที่เสพรูปประชานพวกที่เสพประรูปประชานนี่คือเหตุที่พามาให้เกิด เมื่อมีเหตุพาให้มาเกิดมันก็เลยต้องทำตามเหตุเกิดมาทำไมครับถ้าเราคนที่มีกามเป็นตัวผลักดันมันก็เกิดมาเพราะเศษการเพื่อมาความสุขอยากรูปเสียงเก่งลดผลกัพระไปดูไปฟังไปกินไปเดินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปร่วมเพศกันนี่ก็เป็นพวกเศษีการนี่สาเหตุว่าทำไมมาเกิดกัน คนที่มาถ้าไม่นามาพบกับพระพุทธศาสนานี้จะไม่รู้สาเหตุว่าตนเหตมาเกิดเกิดทำไมเกิดได้อย่างไรเพราะไม่มีความสามารถที่จะรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุอริยสัจสี่แล้วก็ทรงเห็นว่าการมาเกิดเกิดจุบตายนี้เกิดมาจากความอยากสามประการอยากเสพกามอยากเสพรูปฌานอยากเสพอรมณฌาน ทีนี้ท่านก็เห็นมีอริยสัจอีกสองข้อว่าการมาเกิดมันเป็นทุกข์เนือถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดก็ต้องใช้ใช้การปฏิบัติมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากต่างๆ ไ, ได้การเกิดก็จะไม่มีต่อไป ก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นแต่ได้ทั้ายังมาเกิดไม่ว่าจะเกิดในพรหมโลกเกิดในมนุษย์เซลลโลกมันก็ยังต้องมีการแก่เจ็บตายอยู่ดีก็เลยก็เลยถ้าไม่มีพระศาสนาก็คิดว่ามาหาความสุขอย่างโลกธรรมทั้งสี่เกิดมาทําไมถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ธรรมะเขาก็จะบอกก็เกิดมาเพื่อหาความสุขกันสิ เอาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาเงินหาทองกันทุกวันนี้ทํางานแทบเป็นแทบตายเพื่ออะไรก็เพื่อหาเงินทองกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงกิเลสการมักกิเลสอยากเห็นอะไรสวยๆอย่างไก็ซื้ออยากจะซื้อมาอยากจะได้อ ย, อยากเป็นเจ้าของเห็นสถานที่ไหนที่น่าไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวเห็นอาหารเห็นอะไรก็ดื่มหน้าดื่มหน้ารับประทานก็อยากจะดื่ม อันนี้นะเป็นพวกที่ไม่รู้ธรรมะเป็นพวกที่มีการมาตัณหาเป็นผู้ฝาดันให้มันเกิดส่วนพวกที่มีรูปประฌานรูปประฌานก็มาเกิดแล้วก็อยากจะไปบวชไปบวชไปเป็นนักบวชไปเสดไปนั่งสมาธิทำเข้าฌานแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามามาสอนก็บอกว่าการเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วมันต้องมาทุกข์ น้องหอมน้องให้น้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละผอครั้งที่เรามาเกิดนี้ถ้ามารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเราคิดดูว่าเราต้องกลับมาเกิดอีกรอบกันน้าําตาชา่นี้หลั่งได้ถึงแก้วหนึ่งไม่ยังไม่ใช่เราจะเอาน้ําตาหลั่งให้ได้เท่ากับน้ำในมหาสมุทรนี่มันจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่รู้กี่กี่แสนล้านครั้งด้วยกันถึงจะหลั่งน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทร น่าจะหลังไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาน่าไม่ได้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าการมาเกิดนี้ก็เพื่อมาหยุดความอยากหยุดการเกิดเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์และการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องมีเครื่องมือก็คือมร 8, มรคแปดมรรคที่มีหงแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรประ ค, ความเห็นชอบความความระลึกความความคิดชอบสัมมารกรรมโตการกระทําชอบ สัมมาวาจาวาจ า, วาจาที่ถูกต้องวาจาชอบสัมมาชีวอาชีพที่ถูกต้องอาชีพชอบสัมมาวายามโมความเพียรชอบสัมมาสติการนั่ลึกชอบและการสมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตใจชอบเรียกว่ามารรคแดถ้าย่อมา ก, ก็เป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนส่วนปัญญาก็มีปัญญามีศีลแล้วก็มีสมาธิสมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปนี่ก็อยู่ในองค์ปัญญาองค์ประกอบของปัญญาสัมากัมมันโตสัมมาวาจาสมาชีวุก็เป็นองค์ประกอบของศีลลุมาวยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิระบก็คือยอดส่วนลงมาก็เป็นสมศีลสมาธิปัญญาที่นักบวชทั้งหลายมาบนในพระพุทธศาสนาต้องมาศึกษาเรียกว่าไตริกขา หลักสุดของพระพุทธศาสนาของนั้บวชก็มีแค่นี้ไต้ศีกขามาศึกษาว่าศีลเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรส ม, สมาธิเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปัญญาเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่พาให้มาเกิดได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดก็จะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระองคนตสาม แต่ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่มาเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาก่อนเปิดหลักสูตรไต่สิกขาสิ้นสมาธิปัญญาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดโรงเรียนเปิดหลักสูตรก็ไม่มีใครรู้ช่วงที่พระพเจ้าพยายามหาทางออกก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้ทางออกทางออกสู่กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดก็เลยต้องพระพุทธเจ้าอาศัยบา ร, รมีที่ได้บาเพ็ญมาอย่างโชคช่วย ช่วยสนับสนุนให้ส่งคนพบอริยสัจสี่ส่งคนพบเหตุที่พามาให้เกิดน่าเหตุที่จะทําให้การเกิดในสิ้นสุดลงเมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติจนกระทั่งท่านได้ทําให้การเกิดของพระ อ, องค์สิ้นสุดลงแล้วพระ อ, องค์ก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อต่อไปดังนั้นประกอบมีผู้สนใจนํามาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุ เยุดการเกิดได้กันเป็นจนํานวนมากเป็นพระอรันตัสาวกขึ้นมาพระอรันตัสาวกก็มาช่วยเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเป็นยุคเป็นตามยุคเป็นเป็นยุคยุคไปตามใดถ้ามีมีการศึกษาปฏิบัติมากแปดมีการบรรลุมั่งผลนิพพานบรรลุบ้านั้นตาม น, นั้นก็ยังจะมีศาสนาอยู่ไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อใด ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุแล้วก็ถือว่าช่วงนั้นก็สิ้นสุดของศาสน า, ศาอันนี้ยังมีอครับอาจารย์ครับอย่างนี้ผมพอสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าเหตุที่เรามาเกิดจริงๆมันเกิดจากปัญหาของเราแต่ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาแล้วก็คือเพื่อที่จะมายุติการเกิด เ, ดเอือ ด้วยดวยการศึกษาตายศีกขาหรือนนมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติมรรคแปดให้ครบทั้งแปดองค์ครับผมเชื่อว่าวนี้ผมเองก็รู้หน้าที่แล้วครับเพื่อนๆก็ได้รับฟังหน้าที่ไปแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะหยุดห ย, ยุดการเกิดครับเา <Okay. S 1> เวลาการมาขออวยพรให้ขออวยพรมาเกิดแล้วก็มักจะให้อขอให้หย่ากรรมมาเกิดอีกเลยนะ <c oughs> ถกสาวทูสาวทูกันหลายคนฟังไม่เข้าใจนะครับอาจารย์จริงๆเป็นพรที่พิเศษประเสริฐที่สุดแล้วนะเฉลยแล้วก็ววคือพระนิพพานเนี่ยขอให้ไปถึงพระนิพพานนะทีนี้ ไ, ไม่ต้องกลับมาเกิดกันอีกต่อไปกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้คําตอบเยอะแล้วครับแล้วก็มีหลายๆคนคอมเมนต์มาแต่จารย์ให้ฟังนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ข อ, อการถามคำถามจามกเพื่อนๆก่อนนะครับคุณวีนาครับ คนที่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ใช่คือการไปนิพพานใช่ไหมคะก็นิพพานเป็นภพภูมิที่สูงสุดไงภพภูมิที่ดีที่ต่ำกว่พระนิพพานก็มีภพของพรหมภพของเทวดาแล้วก็ภพของมนุษย์มนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีบารามีเกิดมาแล้วร่ํารวยเป็นเศรษฐีเป็นใหญ่เป็นโตมีความสุขมากกว่าความทุกข์พวกนี้ก็เป็นพวกที่มาเกิด แต่ก็ยังต้องเจอกับความเสื่อมการสิ้นสุดของพบเหล่านี้ลงเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของตายนักเอาไปเกิดบป็นพรมเดี๋ยวพอฌานเสื่อมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าความอยากมันยังไม่ได้ถูกกาจัดด้วยกําลังของสมาธิความอยากที่าะเศษต่อมันยังมีอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้มาเข้าสมาธิเข้าฌานใหม่ คุณวีนาถามต่อนะครับบอกว่าคนที่เสียชีวิตแล้วจิตที่ยังคงอยู่นั้นมีสิทธิ์ที่จะคิดเพื่อลดความอยากได้ไหมคะเพื่อไปนิพพานหรือคิดได้เฉพาะตอนที่ร่างกายมีชีวิตเท่านั้นแม้จะไม่ทําบาสรักษาศีลตอนมีชีวิตก็ตามครับส่วนใหญ่เวลาตายไปแล้วความคิดจะถูกอานาจของบุญและบาป ท, ที่เราทําไว้เป็นผู้เป็นผู้กํากับถ้าเรามีบุญเป็นผู้กํากับบุญก็อยาให้เราคิดถึงเรื่องดีๆทําให้เราฝันดี ว, ว่าเราได้พบกัเสิ่งดีๆงามๆนี่คือสวรรค์ตอนที่เราตายไปแล้วเราจะอยู่ในแดนนรมิตยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพอร่างไม่มีร่างกายแล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่โลกทิพย์และในโลกทิพย์นี้ก็จะในรมิตอะไรต่างๆตามอำนาจของบุญหรือบาปถ้าบุญเป็นผู้มีกำลังก็จะนะในระมิตเรื่องดีๆสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆอาหารการกินงานอยู่สุขสบาย แต่ถ้าบาปมีอํานาจบาปก็จะเนรมิตเรื่องที่หน้ากุบาดเสียวหน้าหวาดตัวหน้าทุกข์ทรมานต่างๆไปอยู่ในสงครามบ้างไปอยู่ที่อัตคัดขาดศูนย์ะจะภัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าของบาปเป็นผู้เนรมิตเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาจนกว่าอานาจของมือหรือบาปหมดกําลังลงก็จะมารอรับร่างกายใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นล้วก็ยามาเสพสิ่งที่เคยเสพต่อไปเคยเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสเคยเสพรูปประชานก็มาเสพรูปประชานเคยเสพรูปประชาญก็กลับมารูปประชาญและในระหว่างที่เสพของอัลนี้บางทีก็อาจจะต้องไปทําบาปเพราะการหาลาบยศสนรเสริญนี่บางทีหาด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ซึ่งเราเห็นมีคนเยอะแยะในสบายนี้ที่หากินโดยวิธีทุจริตกัน ถ้าสร้างบาปเดี๋ยวเวลาตายไปนงวิญญาณอยอยาก็จะถูกบาปชุดลากให้ไปในรมิตตนเองให้อยู่ในในในอบายไปเกิดเป็นในราชาเป็นเปรต เ, เป็นสุรกายเป็นนรกแต่ถ้าทําไม่ได้ทําบาปเราทําหากินโชคดีหาเงินเก่งมีเงินเนหลือใช้ก็แบ่งมาทําบุญก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเวลาตายไปบุญบอยอยกุศลก็จะเป็นผู้ไนรมิต เรื่องราวที่ดีให้ได้เสพได้สัมผัสแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ดีเพราะเมื่อมันหมดกำลังของบุญทกำลังของบาปก็ใจก็ยังอยากหิวกับความอยากหิวกับสิ่งที่อยากอยู่ถ้าอยากรูปเสียงเกิดลดก็กลับมาเสพรูปเสียงเกินรดถ้าอยากในรูปประชานก็กลับมาเข้าสมาธิต่อ ก, ก็จะเป็นว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนานนะั้ที่บอกว่า เนี่ยพวกเราเนี่ยมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่รู้กี่ล้านรอบนะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายนด้แล้วพอมีทางออกนะมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงคนพบทางแล้วขอให้ศึกษาปฏิบัติทางที่พระเจ้าสอนคือมากแปดหรือตายสิกานีเทนั้นศีลสมาธิปัญญา คำถามคุณช็อโก้พอาจารย์เลยตอบไปเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าเกิดมาทำไมและตายแล้วไปไหน ม, มีคุณนิรันต์บอกว่าตรงประเด็นไครับเกิดมาทำไมวันนี้ผมคงเข้าใจสักทีครับมผมว่าเป็นคำถามที่หลายคนคิดหาคำตอบแต่หาไม่เจอไม่ได้คำตอบอนะแต่แมจ้มจะได้อ่านศึกษาอริยสัจสีก็ไม่เข้าใจ ถ้ไม่ในปฏิบัติยังไม่เข้าใจคุณแว่นครับปัจฉิมโอวาสสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาคําว่าสังขารในที่นี้หมายถึงร่างกายหรือว่าหมายถึงการปรุงแต่งของจิตครับก็ห ม, มายถึงทั้งทุกอย่างที่เป็นสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายก็เป็นเครื่องเครื่องปรุงแต่งความคิดก็ของจิตก็เป็นเครื่องปรุงแต่งจินตนาการเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ก็เป็นการปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นม ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอนิจจังไปของที่เกิดแล้วดับเป็นธรรมดาสังขารความคิดเราคิดปั๊บแล้วก็ดับไปเราก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาหน้ามันก็ดับไปส่วนร่างกายมันก็เป็นสังขารเหมือนกันมันทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปรุงแต่นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมลงเป็นเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา นันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีการผสมปรุงแต่งคุณพีโกครับขอวิธีใดบ้างไม่ทำให้เกิดในสังสารวัตรครับก็เนี่ย่หละก็ต้องปฏิบัติถ้าเป็นพระปฏิบัติตายสิกขาสีนสมาธิปัญญาถ้าเป็นฆราวาสผู้ของแรงข้าปฏิบัติทานศีลภาวนาซึ่งเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นละเพียงแต่ถ้าเป็นฆราวาสก็ยังต้องเพิ่มทาน ต้องสละทรัพย์สมบัติเกี่ยวกเงินทองอย่าเอาเงินทองไปเสพกามเพราะมันจะทําให้ติดและจะกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆต้องล ะ, ละการเสพการด้วยการไม่เอาเงินทองนี้ไปใวยเสพการเอาเงินทองไปทําบุญแทนทาบุญทําทานแทนหรือถ้าทําไดหมดสละทรัพย์สมบัติได้หมดก็ไปบวชได้พวกที่เป็นป น, นักบวชนี่เขาสละทรัพย์สมบัติบวชเขาทำทานเต็มร้อยเ แล้เขาบวชแล้วเขก็เลยไม่ต้องมากระวนกวยกับเรื่องการทำทานอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วเขาทำหมดแล้วเขาก็มาทำเรื่องที่เขายังต้องทำอยู่ก็คือศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลกับภาวนาภาวนานี้ก็เป็นองค์ประกอบมีองค์ประกอบอย่างสองหลัคือสมาธิและปัญญ า, าถ้าเป็นฆราวาสก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาก็คือทานศีลสมาธิและปัญญานี่ส่วนถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ ปฏิบัติใจเสกหาสิ้นสมาธิปัญญาเพราะทานได้ทําไปแล้วผ่านรับข้อสอบทานนี้จบไปแล้วคุณแพมครับอสุภะกับนะวสีป่าช้าเ้าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะการปฏิบัติทั้งสองอย่างด้วยครับเหมือนกันอสุภะก็คือความไม่สวยงามแล้วทาการเห็นความไม่สวยงามของร่างกายจึงก็มีหลายวิธีด้วยกัน การมาดูซากศพสิชนิดในป่าชาติก็จะได้เห็นว่าซาร่างกายนี้สวยๆเงางาที่พอตายไปแล้วเป็นอย่างไรหรือถ้าเราจะศึกษาอาการสารีสองของร่างกายก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีป่าชาติที่ไปแล้วก็ศึกษาอาการสารีสองที่นักศึกษาแพทย์ก็ศึกษากันแล้วก็ไปอาศัยการการศึกษาเวลาที่เขามีการดูศพของนักศึกษาแพทย์แล้วก็อาจจะขอเข้าไปดูด้วยก็ได้ นำลงพยาบาลอะไรต่างออลองทีก็ต้องผ่าผ่าอาวัยวะมาให้ดูภายในใช่ไหมนักศึกษาแพทย์นี่ต้องเห็นของจริงใช่ไหมต้องเห็นปอดตับไ ต, บ ต, บตลําไส้อะไรต่างๆว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันดูให้เห็นว่าร่างกายมันมันไม่ได้สวยอย่างเดียวมันมีทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยเพราะที่เราจะได้เวลาเกิดการอารมณ์อยากจะเสพร่างกายเราก็จะนึกถึงส่วนที่ไม่สวยของร่างกายแล้วก็จะได้ ดับการมาลัลงได้ตอนเรียนแพทย์นิดเรียนทุกส่วนเลยครับอาจารย์เส้นเลือดเส้นประสาทแต่ลาเส้นทุกเส้นเลยครับอาจารย์ต้องเห็นภาพเห็นของจริงเลยใช่ไหมใช่ครับต้องมีสพอยนะ่าง <Okay. S 1> เงี้ยดูอาจารย์ใหญ่เลยต้องดูอาจารย์ใหญ่เลยนะใช่ครับมสมัยที่เราเรียนชีวะในในม้าอลไยเข้าให้ผ่าพวกหมูหมั้งหมูกบอะไรเนี้ยถามมันดูอืม <c oughs> จะไม่เคยผ่าคนไม่ดูคนไม่เคยได้ดูคนนะครั บ, ค, รบคุณสุพิญญาบอกว่าหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงดีมากๆเลยค่ะบางหน้าอ่านแล้วที่เคยทุกข์ใจก็ได้คําตอบครับอาจารย์ครับสาธุจารย์ยินดีด้วยตอนยิงหนังสือเล่มนี้เราไม่ได้เป็นคนแต่งขึ้นมาเองนะคือลูกศิษย์ที่เขาเขาอ่านหนังสือเทศที่เราเทศทั้งหมดมาแล้วเขาก็คัดเขาก็เลือกเอาสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับประวัติเราลงมา ปฏิบัติต่อเป็นเรื่องเว็นาวขึ้นมาแต่เราไม่ได้เป็นคนทําเองเพียง mm hmm. แต่เวลาคุยกับญาติโยมบาครั้งก็เล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้สมัยนั้นทำอะไรทําาอย่งนี้แล้วเขาก็อ่านหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วเขาก็คัดออกมาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเรามารวมกันเป็นหนังสือประวัตนนิขึ้นมาเพราะเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสที่จะเขียนเล่าเรื่องราวส่วนตัวของเราเป็นเรื่องเป็นาวได้แบบนี้ ก็ต้องขอบใจลูกศิษย์กัญจุลธรรมเนี่ยเขาที่มาศึกษามาครับแล้วเขาลงพิมพ์ที่พิมพหนังสือเล่มนี้รรนยคนที่อยู่ที่ลงพิมพ์ก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาเหมือนกันเขาก็อ่านหนังสือของเราทุกเล่มผมเลยได้อ น, นี้ส่งได้ไ ด, ด้ได้ทุกเล่มเลยครับอาจารย์ครับคุณพีโกครับบอกว่าขอถามเพิ่มครับถ้าไม่เกิดในสังสารวัตร ต้องไปอยู่ที่ใดมีสภาพรูปนามอย่างไรครับก็เป็นจิตดวงเดียวกันนี่แหละเป็นจากจิตที่ไม่เกิดเราก็เลยเรียกว่าอยู่นอกสังสารวัตรจิตที่ไม่ถูกกำนัาของสังสารวัตรดูให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็เรียก ว, ว, วา่านิพพานนิพพานนี้ก็เกิดอยู่นอกสังสารวัตรเหมือนกับสังสารวัตเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุกตารางพอพ้นโทษออกมาก็ออกอยู่นอกคุกตาราง สังสารวัตนี่เป็นคุกตารางมีกำแพงสี่ด้านคือเกิดแก่เจ็บตายจบครั้งอยู่ในคุกตารางของสังสารวัตรจนกว่าจะสามารถออกจากคุกตารางมา้อกจากกำแพงสี่ด้านคือเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ถือว่าอยู่นอกกำแพงอยู่นอกกำแพงสังสารวัตอยู่ไม่ได้อยู่ในตายพบต่อไปไม่ได้อยู่ในการมาพบรูปพบหรืออรมป์พบแตอยู่ที่นอกนอกนอกตายพบเราเีนั้นว่าเป็นเป็นนิพพาน เป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกต่อไป ค, คุณวีนา ม, มีคนตอบอย่างนี้เรื่อยนะครับว่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีสะสมบุญไว้เพราะเราต้องเกิดอีกมากมายอย่างนี้เข้าใจเป็นสมา ธ, ธิไิมครับอาาร์ครับก็เมื่อวานนี้ก็เทศเรื่องสะสมบา ร, รมีนี้บา ร, รมีที่ก็เหมือนสเปริงที่สมว่าถ้าเกิดพบนิชานนี้เราไม่สาเร็จยังไปไม่ถึงนิพพาน ถ้าเกิดชาติหน้าเรามาเกิดไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราเราก็อาศัยบา ร, รมีที่เราทําเนี้ยแต่เราต้องทําให้มันเป็นติดเป็นนิสัยเช่นเราต้องมีนิสัยมีความเมตตาเราชอบทํำบุญทาทานมีทานบา ร, รมีชอบรักษาศีลศีลบา ร, รมีชอบออชอบออกจากการหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้วกายเรีกยกว่าเนตขมาบา ร, รมีชอบนั่งสมาธิทําใจให้สงบเรียกว่าเบขาบารมี และชอบคิดด้วยปัญญาคิดหาเหตุหาผลในเรื่องราวต่างๆถ้าเราสะสมบา ร, รมลเมนาดีมันก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเราสายบารรลเมนาเนี้เป็นผู้ที่จะพาให้เราไปไ ป, ไปนิพพานได้ด้วยตนเองอย่างเจ้าชายศิีทธธักษะก็ต้องอาศัยบา ร, รมีของท่านที่ท่านสะสมไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ว่าเรใช้เวลายาวนานมากนะต่างากับต่างจากที่เวลาได้เจอพระพุทธศาสนาถ้าเจอพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้ามีบารมีพอที่จะปฏิบัติตามได้สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนนั้นเจ็ดปีเลยแต่ถ้าไม่มีบารมีนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีมากมีน้อยแล้วจะต้องใช้ไม่รู้กี่ครับงี่การครับต้องกรรมมาเกิดแก่เกิดตายไม่รู้กี่แสนล้านรอบกว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทเจา้าด้วยพระ อ, องเองด้วยตนเองถ้ายัง ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติมังแปลกตายสขาได้ก็สะสมบารมีตามกำลังของเราไปก่อนเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนิฆมบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีโดยการสนับสนุนของศัตริ์อธิษฐานบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่บารมีศีลถ้าไม่ไม่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราก็ต้องอาศัยบารมีเนี่ย ที่เราให้สะสมไว้มันจะเป็นนิสัยบรามรมีเหล่นี้ถ้าเราทํำบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปนิสัยชอบทบําบูญนิสัยเมตตาเอ็ในไตรก็สงฆ์เมตตาสงสารไม่ไม่มีความคิดที่อยากจะไปทําร้ายใครอย่างเนี้มันต้องทำจนทางมันติดเป็นนิสัยแล้วเราก็อาศัยบรามรมีเหล่านี้ยเป็นผู้ผลักดันให้เราไปสู่พระนิพพานเมือนกัาเจ้าชายสิทธัตถะที่มาบวชแล้วไม่มีใครสอนทาง ก็ลองอาศัยบารมีที่ในสะสมนี่มาผักดันให้ไปพบกับอริยสัจสี่แล้วก็ไปไปถึงพะนิพานได้ด้วยด้วยบารมีของพ่อของเองไอพวกเราชาตินี้โชคดีได้มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกทางอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋เพียงแต่เดินไปท่านั้นเองมักแปดหรือตายศิขาหรือทานศีลภาวนานี่ท่านี่แหละปฏิบัติไปให้ได้ ก็สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกี่เสนกี่แสนล้านชาติกันไปหรือก่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะด้วยตนเอง ค, อคุณใจครับ หลังจากบริการพุทโธโยมก็มักพิจารณาอาการ32ต่อด้วยการฟังเพลงอัตติอิมัสมิงกาเยเนื้อเพลงมีใจความอย่างนั้นนะครับเรื่อยไปจะถึงอาการ32หากเว้นว่างจากการบริการพุทโธแล้วไม่ว่าจะทํากิจการงานใดอยู่ใจก็มักจะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเป็นอัตโนมัติแล้วรู้สึกว่าจิตเกิดความสุขสงบเย็นภายในใจโยมทําสลับกับการบริการพุทโธเนื่องจากรู้สึกว่าการบริการพุทโธต้องใช้กําลังสติมากกว่า จึงทำสลับการเช่นนี้ไม่ทราบว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับก็ทําให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ฟุ้งซ่านมากอยาถ้าจะให้รวมเป็นสมาธิเป็นฌานนี้ต้องเพ่งอย่างเดียวเพ่งพุโทโธหรือเพ่งลมหายใจอย่างเดียวเรนจะเพ่งอาการ32อาการใดอาการหนึ่งอย่างเดียวเช่นเพ่งของกระดูกอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างรวมจิตจรวมเป็นสมาธิด้ คุณกสิณนันท์ครับการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจกับการภาวนาพุโทโธเป็นอันเดียวกันไหมครับก็เป็นการเจริญสติหยุดความคิดปุ๊บแต่งได้เหมือนกันอคิดว่าเราจะตายแล้วก็มันก็จะคิดไปเพื่อทำอะไรแนละ้วทําแล้วเดี๋ยวก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้ช่วไม่ทําอะไรดีกว่าเข้าสมาธิดีกว่าหยุดความคิดดีกว่า คุณอูไรบอกว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วขายลูกชิ้นใหม่พระอรหันต์ไม่ขายลูกชิ้นลหล่ะพระันะเมืเทศนาว่าก่าได้เงินทองเยอะแยะกหลายหลายหลายเท่ากับการไปขายลูกชิ้นแต่ไม่หรอกถ้าไม่ได้มาหาเงินทองอ ก, การแสดงธรรมนี้ท่านก็แสดงเพื่อสงเคราะห์สัตวโลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะได้รู้ทางออกของการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้น หน้าที่ของพ่อหลานก็มีแค่เผยแผ่ธรรมะเท่า น, น, ทนี้ทีท่านจะเผยแผ่ได้กว้างขวาง ม, มากน้อยก็อยู่ที่ความสามารถในการแจกแจงธรรมะว่าท่านมีมีพื้นฐานในการแสดงเหตุแสดงผลได้มากน้อยต่างกันบระองค์บรรลุแล้วก็ไม่สามารถแสดงอะไรได้มากก็ยังไม่มีคนรู้จักมากอย่างคูบาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่สาวนี่ท่านไม่ได้แสดงธรรมะเก่งเหมืกับหลวงปู่มั่น ปุรมะแสดงธรรมะเก่งมีลูกศิษย์เยอะแล้วปุษาวนี่ท่านก็แสดงหนะ้าแบบแบบทั้งดุนศีลสมาธิปัญญาเขาไปปฏิบัติเอาเอง <Okay. S 1> แล้วก็เขา้าใจยากกว่าแต่ถ้าครูบาอาจารย์เก่งท่านจะแจกแจงเรื่องศีลแต่ละชนิดเป็นอย่างไรรักษาอย่างไงปฏิบัติอย่างไรอย่างละเอียดละออกว่า อ, อ, อันนี้เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษมีผู้มีความสามารถในการแจกแจงธรรมะ ได้ถือว่าเป็นอภินญาอย่างหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษอย่า ง, งพระอาจารย์ครับได้ยินว่าหลวงปู่เสารนี่ท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่มากหนึ่งทีหนึ่งใช่ไหมครับแต่เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าท่านรู้สึกท่านจะมีอาวุโสกับท่านบวชก่อนแล้วก็หลวงปู่มารการจะเคยไปศึกษากับท่านอต่ไม่ได้ท่าที่ได้ยินว่าท่านก็ ก็เวาลา ท, ท่านบรรลุท่านก็ไม่ได้อยู่มาหลวงปู่เสาแล้วท่านก็ไปปิดไม้เวกมาอยู่ที่เชีงยงใหม่อยู่ประมาณสิบปีได้การบําเพ็ญอยู่กับชา ว, ชาวป่าชาวเขาแล้วบรรลุที่นั่นแต่ก็ในเบื้องต้นอาจจะศึกษาจากท่านมาก่อนก็นได้ในฐานะที่หลวงปู่เสาจะเป็นพระที่อาวุโสกว่า บ, บวชก่อนน่าจจะไปเจอกันก็ให้ความเคารพ น, นับถือกันก็ถือว่าเป็นอาจารย์ไป คุณสมพร้อมครับโลกและดวงอาทิตย์มีวันที่จะเสื่อมสลายไปเหมือนชีวิตของมนุษย์หรือไม่ครับหรือไม่เสื่อมสลายคงตลอดไปครับเสื่อมทุกอย่างจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคิดดูตามเราคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีไฟที่ส่งแสงสว่างและความร้อนมาสู่ดวงดาวบริวเวณใช่ไหมที้มันจะมันก็ต้องเสื่อมลงไปทีละ น, น, นิดใช่ไหมกําลังของความร้อนมันก็ค่อยๆค่อยหมดไปเพเหมือนเตา ดาวที่เราจุดไฟแล้วฟืนนี่อยู่ในดาวแล้วฟืนมันเริ่มหมดความร้อนมันก็เริ่อนหมดไปดวงอาทิตนี้ความร้อนของมันเราคิดว่ามันมันเสื่อมมานานแล้วนะเพราะดวงดาวที่อยู่ไกลยจากโลกนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นเป็นที่อยู่ของมนุษย์ก็ได้พอกําลังความร้อนของดวงอาทิตย์ไปไม่ถึงดวงดาวเหล่านั้นดวงดาวเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ไม่มีต้นงมมันมาเกิดขึ้นได้เพราะความร้อนไม่มีไม่พอเพียง แต่อไปโลกของเราอาจจะความร้อนของดวงอาทิตย์อาจจะมาไม่ถึงโลกของเราก็ได้โลกของเราก็จะกลายเป็นเหมือนด า, ดาวดาวดวงอื่นที่ห่างไกจากโลกห่างไกลกว่าโลกของเราเนี่ยอาจจะมีมนุษย์อยู่ไปเกิดในดาวที่ใกล้ใกลพ้พระอาทิตย์มากขึ้นก็นได้ตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนเกินไปแต่พอกําลังของพระแสงพระอาทิตย์มันเริ่มอ่อนลง ดวงดาวที่มันอยู่ใกล้พระอาทิตย์กับเราก็อาจจะเป็นที่ทําให้มีที่เกิดให้มีมนุษย์เกิดขึ้นไดม้มีต้นไม้ใบ ย, ย, ยากเกิดขึ้นได้ก็ได้อันนี้เป็นความคิดนะคิดว่าทั้งหมดอยู่ที่ความเสื่อมว่าของของดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเราต้องธาดเราต้องการธาดไฟใช่ไหมถ้าไม่มีธาดไฟเช่นถ้าเราไปปลูกต้นไม้ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นครับเพราะมันไม่มีธาดไฟมันหนาวมาก บุได้ก็ต้องที่มีท่าไฟพอประมาณไม่มากเกินไปร้อนเกินไปก็ไม่ขึ้นนึกถ้าทานน้ำเช่นทะเลทรายนี้ก็ก็ไม่ขึ้นอันต่อไปโลกของเราก็อาจจะเป็นเป็นครัวโลกหรือทั้งโลกก็ได้ครับาายสต้องเสริมเนะี่ยต้องเสริมแนะ่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมีจเจรนะิญแล้วก็ต้องเสริมไปเมื่อดวงอาทิตย์ที่เป็นหัวหน้าของ ของจักรวาลนี้มันหมดกําลังของดาวที่เป็นบริวารก็อยู่ไม่ได้คุณดําครับเมื่อก่อนคิดว่าเกิดมาเพื่อเรียนให้จบทํางานแต่งงานมีลูกแล้วแก่เจ็บตายไปเท่านั้นแต่วันนี้คิดว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้หนทางพ้นทุกข์คือเกิดมาเพื่อไม่เกิดอีกในวัฏสงสารครับใช้ยามทําต่อไปอีกหลายชาติครับไม่ต้องหลายชาติหรอกทาให้มันเป็นที่ชาติไหนก็ไปถึงได้ นึกถึงครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เหมือนเราลนะ่ะหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงตามหาบัวหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามาเกิดในภพในชาตินี้แล้วท่านก็มีโอกาสาได้บวชกันนั้นไตรมาจอครูบาอาจารย์ดีๆท่านก็สามารถปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยงัอย่าอย่าด้อยค่าในตัวเราเรื่องเหล่า น, นี้เราคิดว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะให้ความสนใจทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ออกับการศึกษาออ ก, การปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองคุณลิตาครับจิตมีอกุศลอยู่ดีๆก็คิดทั้งทั้งที่ไม่อยากคิดตอนนี้กลายเป็นว่าไม่อยากรับรู้ผ่านการมองเห็นค่ะมีทางแก้ไขยอย่างไรครับแล้วจะบาปไหมครับก็ต้องใช้สตินะจะ มีสติเวลาจิตคิดตั้งอกุศลแล้วก็หยุดมันได้พอเราหยุดมันได้เราก็สามารถที่จะมองอะไรต่างๆได้ตามปกติแต่คิดนี้ยังไม่บาปใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เป็ น, น, เ, ปนเป็นตัวทําให้ใจทุกข์แต่ยังไม่มีเวรกรรมพ่อยังไม่ได้ไปทําร้ายผู้ทำให้ผู้อื่นเขเสียให้เดือดร้อนก็ยังไม่เป็นบาปแต่เป็นทุกข์คิดถ้าทุกอกุศลแล้วใจก็ไม่สบายนะเนี่ อยากรับรู้ว่อะไรตานี่ก็ทุกแล้วคุณโอเคบอกว่าผมว่าต้องตั้งคําถามว่าอะไรที่ทําให้เกิดมาครับก็ไม่มีใครถามอย่างนั้นกันทุนใดแต่วันนี้พระจะต้องรอกต้องรับคุณตามครับการเก็บผลไม้จากต้นไม้ที่ ท, ทราบเจ้าของ หรือเก็บเงินที่หล่นไว้ปิดสิมไหมครับถ้าเก็บไว้เอาไปใช้ยงก็ถือว่าผิดเพราะเจ้าของเขายังไม่อนุ ญ, ญาตนะให้คุณอ้นบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยครับเพิ่งมาคิดว่าเกิดมาทําไมเมื่อมีที่บ้านมีคนเสียชีวิตครับอเราต้องเห็นทุกข์ก่อนถึงจะถามปัญหาเหล่านี้ญญพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก่อนถึงจะฉุกคิดขึ้นมา ให้เรามาเกิดทําไมเกิดแล้วต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายซึ่งไม่นสิ่งที่ไม่มีกายปราถนาก็เลยอยากจะหาคําตอบหาวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกกับการเมื่อเกิดกเจ็บตายต่อไปก็อง อ, อกบวชคุณสุพินยาครับหนูใจหลุดพ้นกับสิ่งที่ทุกข์ใจมานานมีแต่คําว่าทําไมทําไมเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วพี่น้องกลายเป็นศัตรูกัน หนังสือมหาเศรษฐีบอกไม่ใช่พี่น้องแค่อศัยท้องแม่เดียวกันมาเกิดรู้ใจพ้นทุกเลยค่ะอเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันท่านั้นเองมาจากคนละหละังคุณดวงพรถามบอกว่าไม่อยากเกิดมาอีกเจ้าค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เ น, นี่แหละทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ไปไปีกเรฆไปภาวนาไปอยู่ตามวัดที่สงบสงัด แล้วก็ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นไปตามลาดับถ้าทำถ้าได้ไได้อาจารย์ที่ดีในวัดที่ดีโอกาสที่จะหลุดพ้นในชาตินี้ก็มีว่าแต่เรต้องมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งยินดีที่จะสละความสุขทางโลกไปเพื่อมุ่งไปสู่หาความสุขทางธรรมคุณสมบูรณ์ครับ ฝึกใจอย่างไรเจ้าค้าเพื่อลดความอยากทุกจะได้ลดลงครับเมื่อตันก็ใช้เสียก่อนรักษาเสีเยไว้การรักษาเสียงก็จะช่วยลดความอยากได้ถ้าถ้าเป็นเสียงแปดนี้ก็จะลดได้เยอะลดความอยากเสียงลดเสียงเกีย่อนลดได้ถ้าเสียงห้าก็ลได้ไม่มากเท่ากับเสียงแปรักษาถ้าจะรักษาเสียงแปดไม่ได้ก็รักษาเสียงห้าไปก่อนแล้วก็ลดความอยากด้วยกัน เอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากนี่ไปทำบุญทำทานแทนถ้าอยากจะไปเที่ยวมีวยดเงินเดือนหน้ามีวันหยุดหลายวันอาจจะจองที่พักไปเที่ยวก็ววเปลี่ยนใจแนวทำตามความอยากพาให้เราไปเกิดอีกตัดความอยากนี้ดีกว่าไม่เอาเงินที่เราจะไปใช้ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานแทนพอไม่มีเงินไปทำบุญทำทานมันก็ไปเที่ยวไม่ได้มันก็ตัดความอยากไปได้เรยปริยาย เปลียนหน้าได้ไปการาบอาจารย์แล้วครับ <c oughs> คุณใบหยกครับเมื่อวันเสาร์ลูกได้ถามพระอาจารย์ว่านั่งสมาธิจนรู้เฉยๆแล้วลูกควรทํายังไงต่อพระอาจารย์ตอบว่าเวลาออกมาก็ให้รู้เฉยๆลูกทําได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าคะ่ะแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนตามคําสอนพระอาจารย์เสียงที่ชอบไม่ชอบก็แค่ลมครับพยายามใช้ทุกอย่างได้แล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มักเรามักจะไม่เฉยเราได้ไดสัมผัสรับรู้อะไรก็รามักจะเกิดความรับชังโกลัวหลงขึ้นมาแทนคุณวรนธนาครับการตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้สรรัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นจะได้รับบุญกุศล น, นั้นหรือไม่ครับไม่ได้หรอกการการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแต่แผ่ด้วยการกระทําเวลาที่เราพบปะกัน เ่นเวลาเจอกันนี้เราก็ย้มให้กันสวัสดีกันทักทายกันหรือมีของมาฝากใหนกันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาให้ความสุขกับผู้อื่นหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์ทำอะไรเกิดความเสียหายเดือดร้อนอก็ไม่ไปจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอย่างนี้นป็คือการแผ่เมตตาเพราะเขาก็จะได้รับความเมตตาของเราเช่นเขาทำอะไรเสียหายเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็สบายใจขึ้น แต่ถ้าเราไม่ได้ก็ต้องต้องฟ้องเล่าต้องขึ้นสงฆขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาทุกข์ใจกันมาอย่างการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งจิตอธิษฐานแล้วก็สวดไป แ, แผ่ด้วยการกระทําเวลาเราเจอสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเจ อ, เจ อ, เจอมนุษย์นหรือสัตว์ในราจฉานล้วก็ได้ความเมตตากับเขาอย่างนั้นถึงเรียว่าเป็นการแผ่เมตตา แล้วสัเหล่านั้นก็จะได้รับบุญกุศลก็คือความความสุขใจที่เราให้กับเขาไปเราให้ความสุขใจขเขาไปคุณไบโยครับทำคำสอนพระอาจารย์สร้างสติให้ลูกได้มากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับคุณนิรันดร์ครับ การละกิเลสได้นั้นต้องหยุดความอยากทั้งโลกนั่นหมายความว่าเราต้องปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยการออกไปบวชไม่ใช้ใช้ชีวิตเช่นบุคคลที่คลองเรือนใช่ไหมครับในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ใ น, นเบื้องต้นเรายัางอาจจะไม่สามารถไปบวชได้เพราะว่ากําลังเรายัางมีไม่พอเราก็ร่นเพนไปในสภาพของการเป็นคารวาไปก่อนคือเอาเวลาที่เราว่างจากการทํางานหรือจากการที่จะไปหาความสุขทั้งโลกนี้ มาไปปฏิบัติเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปก่อนมาอยู่ว่าเป็นพักๆ ก, ก่อนจนกว่าเราจะมีกำลังคิดว่าเราสามารถไปบวชได้เราก็ไปบวชต่อไปคุณใบยกถามว่าฌานคือสภาวะจิตใช่ไหมครับฌานก็คือความสงบลักษณะของความสงบที่มีมีหลายลักษณะด้วยกันรูปฌานอารูปฌานแล้วมีแบ่งเป็นขั้นๆนรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นอย่างไร มีความสงบมากน้อยต่างกันเหมือนเกียร์ของรถยนต์นยเกียร์ของรถยนต์ก็มีหลายเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์2อเกียร์สามเกียร์4ความเร็วการใช้เกียร์ต่างๆเหล่านี้ก็ต่างกันใช่ไหมาจะให้วิ่งเร็วมันต้องใช้เกียร์สูงขึ้นไปถ้าใช้เกียร์ต่ามันก็มันจะวิ่งเร็วไม่ได้แต่มันมีกำลังมากชานก็แบบเดียวกันชานก็คือความสงบในระดับต่างๆคุณดีเลยครับ คนธรรมดาที่ไม่ได้บวชสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับสำหรับบางคนได้อยู่ถ้ามีบา ร, รมีเก่ามาเยอะเพียงแต่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็มาสามารถบรรลุได้เลยทันทีก็มีแต่น้อยมากเป็นกรณีพิเศษส่วนใหญ่แล้วต้องบวชกันคุณปุเป้บอกพระอาจารย์คะฝันดีเหมือนไปสวรรค์ฝันร้ายเหมือนไปนรกถ้าไม่ฝันหนูจะไปไหนคะหนูชอบ โพสความฝันเมื่อปฏิบัติธรรมฟังธรรมจากพระอาจารย์ความฝันหนูหายเลยไม่ได้โพส์ความฝันเจ้าค่ะเกือบหลายเดือนจากครบปีแล้วครับถ้าไม่ได้ฝันก็ไม่ไ ม, ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่เดิม <laughs> คุณมณิษฐ์ศร์บอกว่าความสุขที่แท้จริงวัดกันที่ความสงบใช่ไหมครับใช่สงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อย คุณธิติมาถามเหมือนที่พระอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับอธิบายเรื่องการแผ่ไม่ตาที่บอกว่าต้องแผ่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่แผ่ต่อสดมนนะครับอคุณวรรธนาบอกว่าการเกิดเราจะเกิดเป็นคนชาติไหนอะไรเป็นตัวกําหนดครับก็บุญบาปที่เราทํำนี่นถ้าเราทําบุญเวาลาเราเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์มราจะเกิดเกิมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีมีความสุขมากกว่า มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผ่องใสมากกว่ามีอะไรดีดกว่ากับพวกที่บาป พ, พามาให้เกิดพวกที่บาป พ, พามาให้เกิดก็จะเกิดแบบอภพด้อยด้อยวาสนาะร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์สมประกอบหน้าตาก็ไม่สวยไม่งามฐานะการเงินการทองก็ไม่ดีอะไรทานองนี้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงมีโรคภัย ไ, ไข้เจ็บเดดือเบี่ยน อันนี้เป็นผลเขาเป็นผลของบาปแต่ไม่ใช่เป็นผลของบาปอย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะะบาปก็เป็ส่วนที่จะทําให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้คุณพิติมาครับถ้าเป็นผู้ชอบเจริญเมตตาเป็นอนุสติจะเหมือนกับการแผ่เมตตาไหมครับไม่หรอกการเจริญเมตตาก็เป็นการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อให้จิตคิดไปในทางที่ดีจิตจะได้สงบได้ ไมไ่เกี่ยวการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเจอกันเช่นะน่ะนีใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วเตรียมซื้อของขวัญ น, นี่ยแล้วเป็นการแผ่เมตตาแล้วลปีนี้จะซื้อของขวัญให้ใครดีอือเพราะู้ว่าให้ของขวัญก็เราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับอันนั้นนะ่ะการให้ความสุขพูดเนี่ยก็เป็นการแผ่เมตต า, าการเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นการเจริญสติเพื่อทใจให้สงบคนละเรื่องกัน คุณประชาครับบางคนเข้าใจตนเองยังทำดีไม่พ อ, อยังต้องทำไม่ดีทำมาหากินก็ไม่กล้าเข้าใจพุทธศาสนามากๆกกลัวรู้แล้วเป็นไปตามกรรมถ้าไม่รู้จะไรับกรรมน้อยๆควรแก้ไขความคิดอย่างไรดีครับก็มันก็ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ถ้าเขาไม่สนใจที่จะถามเราก็ไปแก้ให้เขาไม่ได้แต่เขาไม่ถามว่าความคิดนี้ถูกก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวไกลในใน ในตัวเขาได้แต่นันก็สงสัยมาถามเราแล้วก็บอกว่ามันคิดไม่คิดไม่ถูกแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีความไม่ดีนี้ให้ละให้หมดละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสร้างความดีทั้งหลายให้ถึงพ้อชำระจิตใจให้สะอ า, าดบริสุทธิ์นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพวกคุณชุติครับ การสิ้นตันหาเพราะเข้าใจในทุกข์ของตันหาเห็นทุก์ในการมีกายมีความหลงความไม่รู้เมื่อเรียนรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วละออกพร้อมและยินดีที่จะไ ป, ปนิพพานการเตรียมพร้อมใจแบบนี้ลูกทําถูกไหมครับกเ็เป็นการทํำครึ่งนึงเป็นการทําการบ้านยังไม่ได้ทําข้อสอบต้องละความอยากได้จริงจริงงละการอยากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายนี่นต้อละให้ได้ คือต้องปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขาไม่ทุกข์กับเขาอันนี้ถึงจะละได้จริงคือาคิดเฉยๆเนี่ยยังไม่ยังเป็นการทําการบ้านอยู่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ต้องเข้าห้องศอบเกิดไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรขั้นสุดท้ายแล้วมาดูตอนนั้นเมาใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าใจเราปล่อยร่างกายได้ไม่มีความอยากในร่างกายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ แตราอยากทุกขอยู่ mm hmm. ก็แสดงว่าเราอยากปล่อยความอยากไม่ได้นับความอยากไม่ได้คุณดาราครับขอกลับเรียนถามว่าถ้าเราทําความดีทําบุญมากไม่ได้ทําบาปแต่เราไม่ได้เตรียมใจกับความตายไม่พร้อมจะตายตอนจะหมดลมจิตเศร้าหมองคิดถึงคนที่รักทําให้ไม่อยากตายจะสามารถไปพบภูมิที่ดีได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่บาปกับบุญเราทําส่วนไหนมีกําลังมากกว่ากัน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ยังต้องถูกบาปหนึ่งไปเกิดในอาบายแต่ถ้าทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะเดินไปเกิดในสวรรค์ในสุคติคุณมาริสาครับกิเลสเอาการสืบพันธุ์เป็นตัวล่อทําให้หลีกเลี่ยงการเกิดเป็นไปได้ยากควรทําอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์การเกิดคือของขวัญอันยิ่งใหญ่โดยทั่วทัเต้องเห็นว่าเกิดแล้วมันทุกข์ไหเกิดแล้วมันดีไหมเนี่ยมีลูกกับไม่มีลูกกันเนีสบายกว่ากัน คนในโลกนี้มีมีเจ้านี่มาทุงนี่นะมาทุงเงินตะั้งแต่เกิดแล้วไหนขอข่านมหน่อยได้ขอค่านุ่นค่านี่หน่อยสนะิต้องเลี้ยงดูไปอดีไม่ดีไปเจอลูกเนี่ยแล้วคุณก็สวยใช่หมลูกกับเห็นว้าเป็นหน้าที่ของเราต้องเลี้ยงมันมันใจะเลี้ยงมันเพราะเรามีความเมตตาและรักมันยิ่งไม่มีเขาไม่ไม่ซ้ยกในบุญคุณของเราเลยเนะี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรอุตส่าห์เราโอ้โอ ทุกยากลาบากเพื่อเลี้ยงดูเขาให้เขามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็กลับมาว่าเราเป็นหน้าที่เราเป็นืองขี้ข้าของเขางี้เราจะคิดยังไงสมัยนี้คนคิดกันอย่างนี้นะคนเห็นกันตัวพยายามรับความจริงว่าเป็นนี่บุญคุณพ่อแม่กันคุณศริวิทย์ครับผมคิดว่าคนที่บวชมุ่งสู่รณนิพนธ์คือคนที่เตรียม พร้อมว่าตอนตายจะไปทางไหนแต่คนที่ยังสนุกกับทางโลกคือคนที่ประมาทไม่คิดถึงความตายผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องพระเจ้าจถึงให้เราเตือนอยู่เรื่อยๆว่าเราเกอยมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้อันนี้นะมันจะทำให้เราไม่ประมาทเราดะเย่นเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราต้องตายวันหนึ่งเราจะไปที่ไหนดีไปนิพพานดีหรือไปวเือกลับมาเวียนว่ายตายเกิดดี ถ้าไม่อยากกลับมาเกิดวว่าตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิให้ให้สมบูรณ์นั่นเองคุณชมขามครับทำบุญหนึ่งร้อยวันเพื่ออะไรครับอ๋อมันเป็นธรรมเนียมของคนที่ยังรักผู้ที่ตักจากไปอยู่ไม่อยากจะทอดทิ้งเขาแล้วร้อยวันก็ส่วนหนึ่งก็คือบางทีตอนที่คนตายใหม่ๆนี่เขาไม่พร้อมที่จะทำบุญกันเพราะว่า ตายแบบกระทันหันยิ่งที่มันจะชาวบ้าน ช, ชาวนาชาวไร่นีน่บางทีคนตายในฤดูที่เขายังไม่ได้เก็บเกี่ยวก็ไม mm. ่มีเงินอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ทําบุญเ้าก็เลยรอให้หลังจากวิธีเก็บเกี่ยวข้าวแล้วขายข้าวได้มีเงินก้อนหนึ่งเขาก็มาทําบุญกันแล้ก็เลยมีทําบุญน้อยวันมากห้าสิบวันมากแล้วแต่เราจะพร้อมวันไหนแล้วก็ไปทําบุญในวันนั้นได้เลยวามหมาย ทำทุกวันเลยก็ได้ครับอาจารย์ได้ตายพวกทำที่ลยก็ได้ไม่ไม่ต้องรอร้อยหมันก็ได้เพราะบุญมันมีมีคนมีประโยชน์กับจิตใจของทั้งกับตัวเราแล้ ว, ลวของผู้ที่ล่วงรับไปเมื่อเราสามารถอุทิศแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้ ค, คุณชั ย, ยันครับน้อมคําถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิจะมีความคิดที่ผมเคยเจอเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวขึ้นมา ถ้ามีการเจริญสติบ่อยๆมีโอกาสที่ความคิดนี้จะหายไปไหมครับมีหายไปเลยถ้ามีสติบ่อยๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันเกิดแล้วก็ใช้สติหยุดมันได้คุณโอเคบอกว่าก่อนอวิชชาคืออะไรครับตัวเราที่แท้จริงรูปร่างเป็นยังไงและเกิดเกิดในระบบนี้ได้อย่างไรครับคําถามที่ผู้จ้าง เ, เคยถามแล้วเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้มไม่ใช่ประเด็นสําคัญ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะหยุดอวิชชาได้อย่างไรอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงของของอริยรรสัจสีเนี่ยเราต้องศึกษาอริยสัจสีกันเพื่อจะได้หยุดอวิชชาเมื่อเราเห็นนะมีรู้จักอริยรรสัจสี่แล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรพาให้เรามาเกิดแอะไรจะทาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดยังไม่ต้องไปรู้เรื่องก่อนอนะวิชชาเป็นอะไรโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นประเด็นที่ไม่สําคัญต่อการแก้ปัญหาของเรา ปัญหาของเราก็คือการเวียนว่ายตายเกิดที่จะแกปะ้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมีอริยสัจสี่ต้องอามาศึกษาอริยสัจสีดีกว่าคุณจั ก, กริดครับผมบริจาคร่างกายให้สฟากาชาติถ้าผมตายแล้วจะให้ลูกหลานาทำอย่างไรครับหลังก็บอกเขาเสยหลังก็ไว้งก็ไว้แล้วเพียงเขาก็เพียงแต่โทรจะไปแจ้งบอกที่โรงพยาบาล ท่านนย่างบปที่สภากาชาคนที่ตาแล้วเขาก็จะมาติดตาเราเองคุณช็อกโก้ครับการนั่งสมาธิจิตไม่สงบส่วนมากคิดไปเรื่อยเปื่อยตลอดเลยเพราะไม่มีสติไม่ฝึกสติมา ก, ก่อนก่อนจะมานั่งต้องพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งนั่งจะได้ไม่ไม่คิดมากจะได้สงบได้ง่าย คุณไก่บอกว่าบารมีสิบกับสังโยชน์สิบเหมือนกันหรือไม่ครับไม่คนละอย่างกันบารมีสิบนี่เป็นเครื่องที่มาแก้สังโยชน์สิบถ้ามีบารมีสิบก็จะสามารถละสังโยชน์สิบได้คุณยันยงครับคอมเมนต์บอกว่าเกิดมาเพื่อเดินตามมรรคแ8ดเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจสี่นีถูกไหมครับอาจารย์ใช่มันก็มาเพื่ อ, อมาเจริญมรรคแปด เพื่อให้เข้าถึงอริ ย, ยสัจสีเพื่อจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดปัญหาว่าเราอยู่ที่การเวียนว่ายตายเกิดนี่เหมือนกับเวลาไม่สบายคุณก็ไปหาหมอคุณไม่ได้ไปถามหมอว่าโรกนี้เกิดมาได้ยังไงใครเป็นคนคน้คนพบวิธีรักษาโรกนี้ไม่ไม่อยากจะรู้เลยใช่ไหมอยากจะรู้อย่างเดียวหมอทำอะไรให้โรกนี้มันหายไปอันนี้ก็เหมือนกันให้เรารู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนั่นกะ็พอ คุณอธิษฐานครับจะตัดความรำคาญได้อย่างไรครับทําใจให้สงบแล้วจะไม่รําคาญฝึกสติเยอะๆเพราใจเรานื่องแล้วลใจเราจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่มาสัมผัสไดู้้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงกลิ่รสรูปแบบต่างๆเราจะรู้สึกเฉยๆกับมันคุณภูมิครับความหงุดหงิดของปุถุชนกับพระสกิดาคาต่างกันอย่างไรครับก็ปุถุชนนี่มันหงุดหงิดกันได้หลายเรื่องเรื่องเงินทองเรื่อง ลาบยศสารเสระมมันก็นหมดเหินได้เวลามีปัญหาแต่สําหรับพระอณะพระสกิร์าคามีครับ น, นี่เป็นปุ่น ห, หินเรื่องของการอารมณ์เห็นเห็ น, นรุปคนรูปล้างหน้าต่อสสวยเรือหล่ อ, อแล้วกเกิดการอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาพอไม่ได้ร่วมหลับนอนก็เกิดอารมณ์หมหุเหินก็เรียกอารมณ์ค้างต้องละที่อนาคาเลยใช่ไหมครับอาจารย์รับ ก็สังเกตอาการอาคารทั้งสองอย่างต้องใช้อสุภะถ้าเราเล็ถึงความไม่สวยงามของร่างกายแล้วการมันมก็จะดับพอการมันมดับอ่าความรู้สึกหงุดหงิดก็จะหายไปคุณอัมพรครับคาถากระดูกช่วยรักษากระดูกได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็เราไม่รู้นะต้องถามหมอกระดูกด้วยผมก็ไม่ใช่หมอกระดูกเลยครับอาจ <c oughs> คุณวรนธนาครับบอกว่านับเป็นบุญที่ได้เกิดมาพบคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับได้เป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยากมากเสี่อย่างด้วยกันหนึ่งคือการเกิดของพระพุทธเจ้าสองการได้มาเกิดเป็นมนุษย์สามการได้มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสี่การดํำรงชีวิตอยู่ก็เป็นของยาก ถ้าเราได้สี่ประการนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คุณบินครับเราจะสามารถละทิ้งความกลัวที่จะตายได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกสมาธิฝึกปัญญาต้องการฝึกสมาธิให้จิตเนี้งเฉยๆแล้วก็สอนสอนหลังจากนั้นก็มาสอนจิตให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่จิตจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายต้องตายจิตเนี้ไม่ได้ จิตไม่ต้องไปตืเต้นตกใจจิตรับรู้เฉยๆไปปล่อยวางก็ไม่ก็จะไม่ทุกข์คุณจักริดครับถ้าบริจาค ร, ร่างกายแล้วจิตวิญญาณผมจะทุกข์ทรมานหรือเปล่าครับทุกข์ทรมานไม่ได้อยู่ที่การบริจาคหรือไม่ได้บริจาคอยู่ที่บาปไม่อยู่ที่ตัณหาความอยากของเราคุณเฟสครับ อ่านหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงเรื่องการอดอาหารของหลวงพ่อแล้วนํามาปฏบิบัติบ้างครับเวลาผ่านการอดอาหารไปได้รู้สึกมีความสุขกว่าตอนที่กินอิ่มอีกครับการอดอาหารนี่มันช่วยทําให้เรามีความเพลยนได้มากขึ้นเพราะเรามีปัญหามีความหิวเป็นตัวทุกข์ที่เราจะต้องใช้ธรรมะคือการปฏิบัติสมาธิหรือปัญญาเพื่อมารับความรับความหิวนี้ ถ้าเรากินอิ่มแล้วเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็นอนดีกว่าสบายกินดิ่มแล้วก็นอนอดความเกลียดการไม่ขยันภาวนาไม่ขยันปฏิบัติธรรมคุณมิกกี้ครับสวดมนต์บทบา ร, รมี10บทัศนสามารถฝึกจิตฝึกใจให้เพียรปฏิบัติเพื่อให้พานิพานได้ไหมครับการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าขันสติไปก่อน ถาเราส่วนวุใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ก็ทำให้ใจเราสง บ, บลงได้ในระดับหนึ่งคุณเตเต้ครับการพยายามเข้าสมาธิโดยการเพ่งนี้คือเพ่งในจินตนาการคือหลับตาใช่ไหมคะไม่ใช่ลืมตาเราเพง่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆครับก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเพ่งมันคืออะไรถ้าเป็นลมหายใจมันก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้่ แต่เราไม่ต้องดูก็ได้เพียงแต่หลับตาเพราะเราสัมผัสรับรู้ได้จากงมที่มันเข้ามากระทบกับที่ปลายจมูกก็ให้รับรู้อยู่ที่จุดนั้นแต่ถ้าเป็นเพ่งโคลกระดูกนี้เราก็ต้องนึกถึงภาพของโคลกระดูกให้ขึ้นปรากฏขึ้นมาในใจของเราคุณเพื่อติพลพรครับสัญญาคือความจําได้หมารู้จะเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ไหมครับได้คือก็ ให้ให้จำได้หมายรูงในเรื่องที่เป็นของที่เป็นความจริงเช่นจำได้จำริยาศาสตย์ได้จำใจรักได้ในมันก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาคุณประชาครับตอนนี้ไม่พยายามเอาธรรมะไปสอนใครถ้าเขายังไม่สนใจจะฟังแต่มีบางคนที่เราเห็นว่าเขามีภูมิธรรมต่ำกว่าตัวเราแล้วมาพยายามสอนธรรมะให้เราฟังเราควรพยายามทนฟัง หรือต่อต้านการฟังแบบใดดีกว่าครับก็ขอตัวไปยันดีก่อนตอนนี้ข อ, อมีชันน้นทำธรรมเวลรก็ว่าไปคือเราปฏิเสธแบบสวยงามปฏิบัติแบบนิ่มนวลอย่าทาให้น้าชะอย่าทำให้น้ำขุนบบ่นบมวอไวช้ำก็แล้วกันคุณพิพัฒน์ครับคนสามัญชนอย่างเราๆสามารถบรรลุได้ถึงขั้นสดดาบันไหมครับ ได้ทุกคนก็ต้องเป็นสามัญชนก่อนถึงจะเป็นเป็นพระอริยะได้ถ้าเป็นพระอริยะแล้วก็ไม่ก็มันก็ไม่ต้องมาไม่ก็มันก็เป็นอยู่แล้วคนที่จะเป็นพระอริยะนี่ต้องมาจากสามัญชนมาจากปุตุชนอย่างพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องมีคนสอนมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนละ้วเราก็จะสามารถบรรลุ คันทำคันต่างๆได้คุณมะลิครับได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มาระยะหนึ่งจนเกิดแรงบันดานใจในการปฏิบัติธรรมที่บ้านพยายามเดินจงกรมทุกวันแต่ก็ยังฟุ้งเรื่องหุงหาอาหารและเรื่องต่างๆทั้งโลกมากไปพวกนี้ตั้งใจถือศีลแปดและปฏิบัติที่บ้านเป็นเวลาห้าวันเพื่อดัดนิสัยตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทราบว่าหากหิวตอนหลังเที่ยงสามารถดื่มน้ําขิงหรือชาได้ไหมคะ และเวลานอนใช้ผ้าห่มหนาปูพื้นเพื่อไม่ให้ทรมานเกินไปเนื่องจากผอมมีปัญหาการนอนระบบประสาทในกล้ามเนื้อและอายุใกล้60นะครับก็ได้ถ้าเราทำเพื่อสุขภาพไม่ได้ทำเพื่อความสุขนอนส่วนองของดืมของละของดืมนี่ก็สามารถดื่มของได้พวกขินพวกอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นเภสัชปัญญาที่อนุญาตให้ดื่มได้ คุณช็อกโก้ครับหนูชอบทําบุญตักบาตรทุกเช้าวันหยุดไปวัดเสมอตักบาตรและหนูจะส่งแผ่ส่วนบุญส่วนให้คนที่ล่วงลับตายไปแล้วโดยที่ไม่รู้กันไม่เคยพบกันแต่หนูรู้จักเขาและสงสารเล็ดแผ่ไปให้ทุกครั้งและเขาจะได้รับหมคะขานชื่อเขามารับแต่อาจาเป็นชื่อเล่นของเขาครับผู้ที่ยารับนี่เราไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าบางทีเขาไปเกิดแล้วก็ได้หรไปเป็นเทวดาแล้วก็ได้ ในกรณีเหล่านี้เขาก็จะไม่ได้มารับแต่ถ้าก็เป็นเปรตเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเขาก็อาจจะรับไปได้แต่เราก็ทําเผยไว้ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเป็นมูลที่เราสามารถแบ่งไปได้อยู่แล้วคุณศิริวิทย์ครับคนที่สร้างบา ร, รมีเผยแพร่ธรรมะเช่นพิมพ์แจกหนังสือธรรมะเรื่อยๆยังไม่ออกบวชแล้วคนที่อ่านหนังสือธรรมะศรัทธาเข้าใจแล้วไปออกบวชปฏิบัติธรรม แสดงว่าคนที่ไปออกบวชอินทรีย์แก่กล้ากว่าใช่ไหมครับใช่ถูกต้องคุณกรครับการดูจิตนี้ถ้าจิตไม่สงบก็ไม่เห็นจิตใช่ไหมครับใช่ยากแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราควรจะดูจิตเพราะการจะดูจิตที่เรายังต้องมีสติที่ที่สามารถหยุดจิตได้ถ้ายัางจนหยุดจิตไม่ได้ดูไปก็ทำอะไรไม่ได้ การดูจิตนี่ก็เพื่อหยุดจิตที่ไม่ดีให้มันห่าเช่นหยุดจิตที่มีกิเลสหยผักดันหยุดความโลภความโกรธความหลงก็คือการดูจิตนี่แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเราจะไม่มีกําลังหยุดเวลาจิตโกรธขึ้นมาเราก็หยุดมันไม่ได้จิตโลมเราก็หยุดมันไม่ได้เป้าหมายก็คือเราต้องการหยุดความโลภโกรธหลงของจิตการจะหยุดมันได้ต้องมีสติมีปัญญา คุณลิตาครับจิตของเรามีวันเสื่อมหายหรือดับสูญไปเองไหมครับไม่มีหรอกมีสิ่งหกสิ่ด้วยกันที่เรียกว่าธาตุหกเนี่ยเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ไปตลอดคือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรูปกับจิตแล้วก็อวกาศาธาตุคือความว่างของเรานี้มีอยู่ของมันมาตั้งไม่มีไม่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบมีอยู่มาตลอดเวลา คุณสุวรรณีครับสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรครับสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าเปรียบเทียวกับรถยนต์รถยนต์เวลารถยนต์วิ่งถ้าต้องการให้รถจอดเราต้องเหยียบเบรกการเหยียบเบรกนี้ก็คือสติเราต้องหยุดความหยุดจิตไม่ให้คิดถ้าเราหยุด จ, จิตุดจิตจนจิตไม่คิดได้จิตก็จะเนื่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คุณอังหุนเปรี้ยวครับเคยมีผู้หญิงที่บวชชีพราหมณ์สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไหมเจ้าคะเคยได้ยินมีอยู่เลยคอมีแม่ชีที่เป็นลูกศิษน้องตามหาบกตรน้องปู่มันแม่ชีแก้วนท่านก็เป็นบระอาหารหันในคนหนึ่งก็ที่ได้ข่าวที่เขาพูดกันก็คือกอเขาสวนหลวงอันนี้แต่ก็เป็นอุบาสิกาไม่ได้บวชชีแต่แล้วก็มีคุณธรรมสูง จะไม่น้อยกว่าครับสมัยผมเป็นเด็กผมเคยฟังท่านก่อด้ยครับอาจารย์ครับฟังก่อนะท่านก็จะพูดจากเรื่องตายรักครับให้พูดสากเรื่อเพื่อนตายรักคุณเฟียครับวันนี้พาลูกศิษย์ไปใส่บาตรหลวงพ่อมาครับจะสั่งสอนให้เขาทำบุญทําทานต่อไปครับเยจ่าออนุทนาเ้อรพาเขาไปในทิศทางที่ดีถูกต้องนะ เด็สมัยนี้ไม่มีผู้นําที่ดีชอบเดิงไปทางโลกกันใช่มากกว่าคุณเดือนดาวครับเคยคิดว่าอยากทําบุญกระถินแต่ไม่ได้ทําเงินหมดก่อนเคยพูดไว้ตั้งใจไว้แต่เงินหมดก่อนก็เลยที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ทําจะบาปไหมครับรู้สึกอึดอัดกับตัวเองที่พูดไว้ครับอ ไ, ไม่บาปบบอะไรแต่ว่าไม่ได้บุญทั้งนั้นเลย คิดดีแต่ไม่สามารถทำตามตามตามความคิดที่ดีได้เพราะเราขาดสัจจะเรามีความคิดอยากจะทําแต่เราไม่มีสัจจะที่จะรักษาความคิดของเราทําตามที่เราคิดได้ยังการที่จะทํำอะไรให้สําเร็จเราต้องมีสัจจะเมื่อเราคิดจะทําอะไรแล้วเราเราต้องทําตามที่เราคิดเรียกว่ามีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะความขยันขยันที่จะไปหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองมาเพื่อที่จะทําบุญอันนี้แล้วก็ต้องมีความอดทน เพราการทานปัญหาทางก็ไม่ใช่เป็นของงา่ายมันก็ยากลำบากถ้าไม่มีอดทนก็ทําไม่ได้ดังนั้นก็จะทําอะไรให้สําเร็จได้ต้องมีสี่อย่างด้วยกันความตั้งใจที่แน่วแนะ่ที่ที่ทททมีมีสัจจะแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําแล้วก็ต้องมีความอดท น, นเวลเาเจออุปสรรคความยากลำบากต่างๆเราก็จะสามารถฟันฝ่าทําในสิ่งที่เราต้องการทําได้สําเร็จ คุณชัมพีครับเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดคุณพ่อจําอดีตชาติได้แต่เพิ่งทราบว่าเราเกิดมาเพื่อในวันนี้ว่าเกิดมาเพื่อไม่ให้เกิดอีกครับคุณสุชารติครับภาวนาแบบเจริญสติในชีวิตประจําวันแบบมีสติรู้กายรู้ใจเห็นความคิดที่ผุดเกิดขึ้นเหมือนอ่านหนังสือเมื่อเดือนที่แล้วกําลังนั่งกินขนมเป็นบุญแช่เย็นแต่สิ่งสติเข้าไปรับรู้ เป็นความรู้สึกชั่วขนาดคือของแข็งกระทบกับความเย็นไม่มีรสชาติขนาดนั้นค่ะเว็บเดียวค่ะพอคืนลงคอถึงรับรู้ว่าหวานเห็นความพอใจมันเป็นชั่วขนาดเดียวค่ะเห็นข้างในและรับรู้อยู่อย่างเดียวสิ่งที่เห็นคืออะไรครับก็สิ่งที่เห็นก็คือสิ่งที่คุณเล่าให้ฟังนะคุณเห็นอะไรล่ะไม่ทราบจะตอบอยังไงนี และการเห็นอย่างนี้สงบถึงได้ไหมครับอาจารย์ครับมันจะนำหรือว่าเห็นแล้วก็เก็เห็นมันก็เห็นเท่านั้นไม่ทราบวันจะให้เห็นยังไงเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเป้าหมายของเราเราไม่เราไม่ต้องการเห็นเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่เราต้องการให้จิตเรานิ่งสงบเท่านั้นเองถ้าเห็นแล้วไม่นิ่งสงบก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีความสุขถือว่าเป็นการแผ่เมตตาไหมครับใช่เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึง่งให้ความสุขกับเขาเยี่ยมดูเขาคุณแว่นครับถ้าไม่ต้องการกลับมาเกิดก็ต้องไม่ตายทางจิตวิญญาณพระอาหารหันต์จิตท่านไม่ดับเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับไม่ถูกครับถ้าไม่ต้องการมาเกิดต้องต้องดับกิเลสไม่ใช่ดับ วิญญาณจิดวิญญาณนี้ดับไม่ได้วิญญาณของพระอรหันต์ก็ยังอยู่เพียงวิญญาณท่านไม่มีกิเลสทั้งเองต้องดับกิเลสดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคุณกรณครับ สมาธิสังขารกับสมาธิวิปั ส, สนาคื อ, อยังไงครับครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเข้าไปถึงสมาธิวิปั ส, สนากายก็จะหายผมก็มีความสงสัยอยู่ไม่ใช่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าสมาธิที่เหนือสมาธิในนี้ไม่มีโลกอยู่เลยผมงงครับสมาธิก็คือความสงบเน่งของจิตใจมันไม่มีวิปั ส, ป ส, สนาหรือไม่เป็นสังขารหรอมันเป็นความสงบเน่งสมาธิท่านก็แ บ, บ่งไว้สาแบบ คณิกะสมาธิอัปนาสมาธิและอุปจาระสมาธิคณิกะสมาธิก็สง บ, บนิ่งชั่วขณะหนึ่งช่วแวบเดียวอัปนาสมาธิก็สง บ, บนานนานกว่าชั่วแวบก็เรียกว่าอปนาสมาธิส่วนอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิที่ทําให้จิตมีอภิญญามีความมมมีีมอภิญญาาควาสามารถมีเฉลี่ย สามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นกายทิพท่องนรกท่องสวรรค์ได้ติดต่อกับกายทิพได้อ่านความคิดของผู้อื่นได้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิมีสามแบบนี้คุณอ้นครับ อยากให้เด็กเเข้าถือธรรมต้องทําอย่างไรครับดิฉันสอนเด็กอนุบาล3ามถงหกขวบสอนให้เด็กสวดมนต์นั่งสมาธิเด็กๆน่ารักมากและจัดค่ายคุณธรรมเด็กด้วยเด็ก300กว่าคนขาเฉพาะปฐมวัยดิฉันมีความตั้งใจอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กขอคําแนะนำพระอาจารย์ครับก็ดีแล้วเนี่ยก็เอาสอนเด็กให้ให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธินั่งกํากลมเขาแล้วถ้ามีเรื่องธรรมะดีๆก็มาอ่านให้เขาฟังบ้างก็ได้อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านะไรต่อ คุทีคัทนาค่ะบอกว่าเริ่มเบื่อคนไม่อยากยุ่งกับคนอื่นๆปลิดวิเวกแล้วมีความสุขมากกว่ามองทุกอย่างเป็นอนิจจังสุขทุกข์ก็เท่ากันเลยไม่อยากจะไปทําอะไรให้ยุ่งยากเหมือนเดิมเพราะเห็นการอยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขมากกว่าเรียบง่ายแต่อิ่มเจ้าคะ่ะทําแบบนี้ถูกทางไหมเจ้าคะถูกทางแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วท่านมีความความอิ่มแล้วมีความเบื่อทางโลกแล้วแสดงว่าใกล้ขึ้นมา คุณตั้นครับเริ่มทําบุญทําทานได้ครั้งละหนึ่งหมื่นสองมื่นแต่กับคนบางคนคิดลบพูดจากับเราไม่ดีไม่อยากแบ่งปันหรือช่วยเหลือเลยกราบอาจารย์ขอความเมตตาให้ข้อคิดเพื่อลบความในใจครับเราเลือกทําบุญได้เลือกให้ใครก็ได้คนบางคนไม่สมควรให้ก็ไม่ต้องให้เขา น, นั้นเองให้คนที่เขามีความเขารับไปแล้วอย่งช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขา หรือถ้าสนับสนุนการทําของเขาบางทีเขาทางานทําะารที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ให้เขาช่วยให้กําลังใจเขาเีงก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำ ก, กับทุกๆคนไปเลยคุณนานาครับเราสามารถใส่ยาแทนอาหารต่อตักบาดได้ไหมครับได้ทังหมได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าพระท่านจะรับไปได้หรือเปล่าเท่านั้นถ้าเกิดท่านมารูปเดียวนี่ส่วนใหญ่ท่านต้องการอาหารมากกว่ า, าง เอาถวายตังโมงสักลูกหนึ่งเงยให้ท่านเที่ยวกลับวันนี้ท่านไปไม่ไหวถ้าท่านมองเดียวก็ใส่ข้าวใส่กับก็พอละให้ท่านท่านต้องการแค่นั้นะบางคนก็ถวายนะำแพ็คหนึ่งเลยท่านเยาวไป ไ, ไปไม่ได้ต้องดูความเหมาะสมของบางอย่างบางทีอาจจะต้องไม่ถวาย ท, ที่ที่กุฏิไปถวายที่วัดแต่ถ้าภาพมาบินตบส่วนใหญ่ท่านต้องการอาหารสดอาหารที่ยาวไปรับประทานได้ในวัน ไม่ยด้าอาหารแห้งที่เอาอาหารแห้งมาถวายท่านท่านเข้าไปชันไม่ได้เพราะจะต้องมีลูกศิษย์จัดการให้มีแม่ครัวแล้วใครทำอะไรให้ยั้นถ้าจะใส่บานควรจะเป็นอาหารสดที่กินได้ทันทีเลยคุณมูไลท์ครับการบรรลุธรรมในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดไปเองหรือของจริงครับ พ อ, อ่กลียดก็เร้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ของเราน้อยลงไปเรืออ่อยๆมันเห็นเช่นพอไม่ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บ ก, กลัวความตายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะคุณนัทถาครับสวดมนต์สั้นๆนั่งสมาธิทุกวันได้บุญไหมครับก็ย่งที่ว่าสงบแล้วไม่สงบนะถ้าสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคุณดาริณีครับ ผู้หญิงเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วต้องตายภายในเจวันจริ ง, งหรือไม่ครับไม่จริงเราไม่เกี่ยวกันร่างกายกับจิตใจมันคนละเรื่องกันกานรบรรลุมรรคผลนิพพานเปนการตายของกิเลสไม่ได้เป็นการตายของร่างกายคุณภูมิพัฒน์ครับหากสังสารวัฏคือเมทริกซ์ที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์คือการออกนอกเมทริกซ์โดยใช้วิธีศีลสมาธิและปัญญาใช่ไหมครับ ถูกต้องคุณแพตครับทำอย่างไรจะลดอัดตราความยึดในตัวตนได้คะและทำอย่างไรที่จะระงับความโกรธได้วันก่อนโกรธเพื่อนร่วม ง, งานไม่ให้เกียดรู้ว่าคุมตัวเองไม่อยู่เลยคะ่ะ ท, ทั้งที่ปกติพอเอาอยู่เวลาโกรธครับอย่าถือตัวอย่าถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนลดอัดตราตนด้วยการสมมุติว่าคิดว่าเราเป็นเราเป็นแจวเราเป็นคนรับใช้ก็แล้วกันเวลาเราเจอใครเราคิดว่าเขาเป็นเจ้านายเรา เราไม่ได้เป็นเจ้านายเขาเพราะเราเป็นแจวเป็นคนรับใช้เราก็จะไม่หวังอะไรจากใครใช่เพราะคนรับใช้นี่หวังอะไรก็ไม่ได้มีแต่ถูกใครเขามีแต่ต้องรับคำสั่งอยู่อย่างเดียวเราก็จะไม่เสียใจเวลาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใครถ้าเวลาเขาไม่ให้อะไรเราเราก็ไม่เดือดร้อนยันทาตัวให้ต่ำไปพะเจ้าบอกทำตัวให้เป็นเหมือนปัตตีเป็นเหมือนแผ่นดินดินนี่ใครยังเหยียดินไม่ดินไม่ว่ากล่าวไม่เดือดร้อน กายจะทิ้งของอะไรไปในดินเดินก็ไม่ไมไมเดือดล้านเดินก็เฉยๆทำใจให้มันเป็นแผ่นดินแล้วทำตัวให้เป็นเหมือนแจ๋วนี่คุณกรณครับถ้าสมาธิที่เหนือสมาธิอาจารย์ขงผมบอกว่ามันไม่มีธาตุสี่ขันห้าเพราะธาตุสี่ขันห้าไม่เกี่ยวกับจิตถ้าเข้าไปตรงนี้ได้คือนิพพานหรือว่าแค่ติดในสมาธิครับ อ, อ๋อสมาธิมันก็คือความสงบอของจิตเทนั้นเองยา ิตนิพพานนั้นต้องทําลายกิเลสที่อยู่ในจิตให้หมดไปากาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตก็จะไปนิพพานได้คุณสมบูรณ์ครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้จิตผ่องใสเจ้าคะ่ะให้ฝึกสติให้มากๆมันหยุดความคิดนะลงให้คิดน้อยลงจิตก็จะนิ่ ง, งผ่องใสเบิก บ, บานขึ้นเพราะความคิดส่วนใหญ่ันจะคิดไปในทาง ทำให้จิตใจเศร้าหมองคิดไปทางกิเลสพอเราอยู่ความคิดแบบนี้ได้จิตใจเราก็จะพองซใสเบิกบานขึ้นมาคุณสมพร้อมครับการที่คนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วเอาไปขายได้เงินมาแต่หมูไก่ก็ถูกเอาไปฆ่าคนเลี้ยงหมูไก่ขายจะบาปไหมครับเพราะเขาก็รู้หมูไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ขายมันก็ต้องถูกคนซื้อหมูไปฆ่าตายครับก็มีชวนนะแต่แต่ว่าเขายังไม่ได้ไปกดฆ่าเทัานี้ เป็นเป็นผูม้มีการสนับสนุนเึ่นก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำถึงแม้ยังไม่เป็นบาปสำหรับตนเองแต่มันก็เป็นการสนับสนุนให้มีผู้อื่นเอาไปฆ่าแทนยังไม่บาปแต่เรียกว่าเป็นมไม่ไม่เป็นสัมมาอาชีพไม่ควรทำอาชีพที่ทาสร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่ชีวิตของผู้อื่นคุณวัฒ น, นาครับ การที่เราอายุยืนถือว่าเรามีบาปเลยมีบุญครับมันมหีหลายสายเหตุด้วยกันบาปบุญก็มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตสั้นหรือยาวถ้าไม่บุญก็มีเหตุที่จะทําให้อายุยาวได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุอย่างเดียวอยู่ที่การเลี้ดูร่างกายของเราด้วยอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยว่าเราเดินโซลาหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่ามีพฤติกรรมกินอาหารแบบ ที่เป็นพิษเป็นภายต่อร่างกายหรือเปล่าเรื่งราวนี้มันก็มีส่วนที่จะทําให้อายุยืนหออยุสั้ไม่ใช่อยู่แต่แค่บาปหรือบุญอย่างเดียวคุณใบหยกครับนิพานคือจิตที่เปรียบดังน้ําบนใบบัวใช่ไหมเจ้าค้าคือแค่รู้อยู่เฉยๆแต่ไม่นํามาปรุงแต่งให้เกิดทุกเขเวทนาขณะที่จิตปุถุชนรวมถึงลูกยังเป็นดังกระดาษซับน้ำบางที่ลูกคิดให้ใจขนมัวอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะละได้ครับ อ๋อก็นิพพานก็คือจิตที่ไม่มีรักชังกลัหลงนี่เองเห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งนี้คุณพานิดาครับไม่รู้ตัวเองทําสมาธิถึงขั้นไหนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติไหมครับไม่เราตอนนี้ไม่รู้แสดงว่าเรายปฏิบัติไม่ถึงสมาธินั่นเองถ้าปฏิบัติถึงวมันจะรู้เองมันไม่ต้องมันไม่ต้องถามใคร แล้วจิตสงบจริงๆนี่มันไม่ต้องถามใครมันเปนมนปันประสบะการณ์ที่แปลกประหลานมาสะใจะยังไปไม่ถึงเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้านนี้คุณดิเรกครับคนที่คิดสั้นทาําอัตตวินิบาตกรรมแล้วเขาจะไปนรกใช่ไหมครับใช่คนที่ฆ่าตัวตายนี่ก็จะไปนร ก, กนคุณสุดท้ายครับ เวลาสวดมนต์สามีก็หาว่าบ้านุโมทนาบุญกับญาติธรรมก็หาว่าบ้าสามียังด่าเพื่อนคนที่เขาปฏิบัติธรรมยังด่าเขาแล้วสามีจะบาปไหมครับก็เป็นคําคําพูดที่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นกุศลนะเป็นอกุศลยังยังไม่ถือว่าบาปเพราะมันไม่ได้ผิดศีลห้าไม่ได้ผิดศีลข้อสามข้อสี่ที่การพูดป่นเนี่ย การแสดตงตนเองต่ำสร้างถ้าเรนคนที่พูดคำหยาคนที่ใช้วาจาพะรุว่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นคนต่ำทรามอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ยังไม่ได้ทํำบาปคุณนาราครับเกิดมาทําไมโยมคิดว่าเกิดมาเพื่อตายเพราะอาจจะเกิดมาอาจตายได้โดยยังไม่แก่ยังไม่เจ็บครับ เราไม่ต้องเพื่อตายเราเกิดมามันต้องตายอยู่แล้วคุณภรรยาครับทําอย่างไรให้หายเป็นโรควิตกครับต้องยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนานคตเคเซลาเซลาวันเอเวอร์เวิลด์บีเวิลบีอนาคตอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันจะแก่ก็ต้องแก่อะมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บเวลวมันจะตายก็ต้องตาย ถ้ายอมรับความจริงมันก็จะไม่วิตกกังวลอะไรที่วิตกเพราะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมมองความจริงกันอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะให้มันไม่เจ็บอยากจะให้มันไม่ตายมันก็เลยวิตกกันคุณสูงวัยครับการที่ลูกไม่ดูแลพ่อแม่บาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่ได้บุญแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคัน ไม่ได้เป็นคนอักตันอยู่รู้คุณผู้ตอบแทนคุณผู้เป็นโลกอักตันอยู่คุณวันธนาทำอย่างไรที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดครับก็นี่แหละก็มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเพลิดรับความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปความอยากที่ไม่ดีความอยากที่เป็นกิเลส คมอยากเสพรูปเสียงเกล็ดลดความอยากอาหารลาบยุติสารเสอนี่ยคมอยากมีอยากเป็นต่างต่างเนี้ต้องตัดไปให้หมดคุณเอกชัยครับผมฝึกสมาธิเวลานั่งหลับตาทีไรจิตมันฟุ้งซ่านไม่สงบเลยก็เลยหยุดฝึกนั่งสมาธิเปลี่ยนมาเจริญสติในระหว่างวันคือฝึกหยุดคิดทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรฝึกดูลมหายใจเข้าออกหากจิตไหลไปคิดก็พยายามดึงกลับมาให้รู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจ ผลที่ได้คือจิตฟุ้งซ่านน้อยลงผมมาถูกทางไหมครับถูกแล้วก็ลองนั่งนั่งสมาธิยู่ถ้ามีสติแล้วมันจะนั่งแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะจะสงบได้คุณิรีศักดิ์ครับลูกเอาของที่บ้านไปขายหมดเกิดจากเวรกรรมเก่ารือของเราเลยครับลูกของเร า, เาของไปขายก็ก็เป็นเรื่องของที่ ได้ลูกไม่ดีมาเป็นลูกท้งนเองลูกที่ชอบขโมยของงงก็เลยนะคุณปุ้ยครับวันนี้มีข้อสงสัยเรื่องช way, ีวิตสันโดษตอนนี้ต้องทำงานใช้ชีวิตสันโดษไม่ได้แต่ปรีกวิเวกให้มากที่สุดปฏิบัติภาวนาประจำการสำเร็จภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีในชาตินี้ดูเป็นไปได้ดีกว่ามาเกิดใหม่ครับ ก็ไม่ทราบจะตอบเป็นไไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเลยคุณเจนครับพยายามนั่งสมาธิทุกครั้งแต่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยค่ะจิตดวงนี้แต่ก็ไม่ละความพยายามจะทําต่อไปนะครับต้องพยายามฝึกสติให้มากไม่ใช่เฉพาะจะมีสติตอนที่นั่งอย่างเดียวต้องฝึกสติก่อนมานั่งทําสติให้มากขึ้นยิ่งมากเท่าไหาร่จิตก็ยินิ่งง่ายขึ้นและเร็วขึ้น อ๋อคำถามตะกี้ต่อนะครับอาจารย์บอกอย่างนี้มันต้องปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนถึงจะถึงพร้อมครับก็ไปบวชนะไปบวชแล้วก็ไปเปรตไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปทำชุดดงกรรมฐ า, านคุณขวัญว น, นาครับเห็นคนพาสุนัขไปเดินเล่นแถวรอบกําแพงวัดพระแก้วแล้วฉี่ทะอึตรงสนามหญ้ารอบกําแพงวดัดและบางทีก็มีคนไปฉี่แถวกําแพงวัดโพแล้วยกมือไหว้ขอขอมาแบบนี้บาปไหมครับ มันเป็นเรื่องของสุนัขมันก็อป็นเรื่องของที่ไม่ควรจะทำํำนะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำอย่างนี้ก็อย่าอย่าพาเขาไปเดินไปเดินแถวนั้นสิให้เดินหางไกลกําแพงให้เขาฉี่ตามแต่<อ>นี้ก็มีกฎหมายห้ามที่พาสัตว์ออกไปนี่ไอเมืองนอกนี้ถ้าเกิดเกิดสุนัขถ่ายออกมาก็ต้องเก็บเก็บถ่ายของสุนัขถ้าไม่เก็บก็ผิดถูกถูกปรับได้ เพราะมันเการเป็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อสร้างความเสียหายให้แก่ผู้จะเรียกว่าบาปมันก็บาปบาปเล็กๆกับบาปบาปบาปไม่รุแรงคุณบัณฑิตครับจํานวนจิตในสังสารวัตรและในนิพพานมีจํานวนคงที่หรือเพิ่มลดได้ไหมครับเพราะจิตมันไม่เกิดไม่ดับมันมีเท่าไนมันก็มีอยูน่นะเพียงแต่ว่าจํานวนจะในสังสารวัตมันก็จะน้อยลงไปเพราะมจะออกไปอยู่นิพพานมากขึ้นไปนเรื่อยๆตาม แต่มันล้อยมากเปรียบเทียบเปอร์เซนแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งในแสนล้านออะไรเนี้ยที่ไปไปอยู่นิพพานสว่วนแสนล้านจิตนี้ก็อยู่ในสังสารวัฏอยู่บนอยู่ในคุกต่อไปใช่ไับคุณไวยวิทย์ครับถ้าเรานั่งสมาธิพุทโธเราจะได้บุญไหมครับถ้าใจสงบก็จะได้บุญบุญก็คือความสงบความสุขใจเนี่ย คุณสุวรรณีครับการที่เราพิจารณาว่าร่างกายเป็นธาตุสี่และดูร่างกายตั้งแต่หมดลมหายใจจนสลายไปเป็นดินเรื่อยๆจะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิและละสักกายะทิฏฐิได้ไหมครับได้ได้เราต้องการดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปทุกข์กับมันทําไมเราจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทําไมเราไปาะสักกายะทิฏฐิได้ คุณสันชัยครับกินเห็ดวิเศษแล้วเห็นสภาวะเหมือนสมาธิระดับลึกๆสามารถใช้คู่กับการวิปัสสนาได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันเป็นการใช้ของภายนอกซึ่งเป็นรู้สึกก็จะเป็นพวกสารเสพติดอย่างหนึง่งเห็ุบางอย่างมันจะมีผลกระทบต่อประสาทามันจะทำให้จิตสงบเหมือนกัญชาเงี้ยแล้วสูบกัญชาวไว้จิตก็รู้สึกมันเย็นสบายสงบนี่ แต่มันสงบไม่นาน้วมันก็ติดมันก็ต้องคอยเสพกัญชาอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะรู้สึกเครียดขึ้นมามันจะทุกข์ยังไม่ควรอาศัยสิ่งอะไรมาทำจิตให้สงบให้อาศัยสิ่งที่มีอยู่ในใจจิตของเราก็คือสติสติหรือปัญญาคุณมุทิตาครับต่อสู้กับความปวดจากโรคกระดูกสันหลังเสื่อมได้อย่างไรครับก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญา ใช้สติก็คือทําใจให้นิ่งเฉยๆอย่าไปมีปฏิกิริยากับอาการเจ็บของของกระดูกไหวมันเจ็บไปถ้าใช้ปัญญาไนดะ้ก็สอนใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องเจ็บเมื่อมันเจ็บเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ัดอยู่กับมันไป คุณพุชี้ครับขออนุญาตสอบถามว่าครูบาอาจารย์ที่นิพพานแล้วท่านจะสามารถช่วยสิทธิ์ของท่านที่ยังอยู่บนโลกได้ไหมครับถ้าท่านตายไปแล้วท่านกไ็ไม่มาช่วยใครแล้วฉันจะช่วยได้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นั่นเองคุณวัชสุครับทำอย่างไรถึงจะยอมรับในความคิดต่างของคนในครอบครัวที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ครับก็ยอมรับความจริงว่าโลกนี้มันมีความคิดแตกต่างกันไป แต่คนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับผลไม้บางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นมะละกออย่างเงี้ยเราจะไปเปลี่ยนเขาให้เป็นเหมือนกันหมดไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันนี้ไปก็ปล่อยให้มีความคิดไม่เหมือนกันไปนั่นเองคุณศิริชัยครับคารวาสพิจารณากายคตาสติจนมุมมองการเห็นร่างกายคนอื่นทะลุถึงภายในจนความอยากในการไม่มีเหลือไม่มีเหมือนก่อน ละสังโยชน์สามได้แต่ยังมีครบอบครัวอยู่แบบนี้ได้พระโสดาบันไหมครับคือสังโยชน์สามนี่มันยังละ ก, กามไม่ได้มันเป็นแต่ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เท่านั้นองยังมียังมีกามที่ยังอยากจะเสพกามกับครอบครัวอยู่แต่ถ้าละสังโยชน์อีกสองข้อได้ก็จะไม่มีกามามก็จะไม่อยากจะมีครอบครัวก็จะขอแยกขออย่าไปอยู่ตามลาพังไปอยู่ พออยู่แล้วมันลำคาญอยู่กับคนอย่นนมันําคาญคุณยุยี่ครับหนูอายุ30ในหัวคิดว่าโรคนี้มันวุ่นวายเลยคิดอยู่ทุกวันว่าอยากอยู่แบบพอมีพอกินและอยากอยู่ที่สงบสกขและปฏิบัติธรรมถ้าหนูเลิกทํางานแล้วมุ่งปฏิบัติธรรมจะเร็วไปไหมครัในอายุวัยนี้ทุกวันนี้ยังสับสนนะคําบตอบกับตัวเองไม่ได้ครับขอความเมตตาครับวัยหรือไม่ไวัยไม่อยู่ที่เราความพอมากกว่า ถ้ า, ายังไม่พร้อมก็ไปไม่ได้ถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปได้นั่นอยู่อยู่ที่ความพร้อมของเราในอินทรีย์5้าว่าเรามีจัทตามีสติมีสัตสตาวิริยะมีสติสมาธิมีปัญญามากน้อยเพียงไรถ้าเรามีอินทรีย์มากเราก็จะไปได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเร็วหรือช้าอยู่ที่สัอยู่ที่กำลังของอินทรีย์ของเราว่ามีมากมีน้อยคุณเอกชัยครับ ปัญญาที่ใช้ฆ่ากิเลสคือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาใช่ไหมครับใช่คิดไปตามความเป็นจริงคิดว่ากิเลสคือความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้จิตเราทุกทครั้งที่เราอยากนห้จิตเราจะร้อนเป็นไฟขึ้นมาถ้าเราอยากยากให้จิตเราสงบเราก็ต้องละความอยากคุณวิสิตครับเราทำจิตให้สบายหายใจยาวๆเข้าออกเข้าว่าตายออกว่าแน่ เท่ากับตายแน่จะช่วยให้จิตใจเป็นเช่นไรครับแล้วจะทำให้เราตายเร็วขึ้นไหมครับไม่หรอกการการใช้ความตายนี้ไม่ได้มาทำให้ร่างกายตา ย, ตายมันเป็นการทำให้ใจสงบกำลังทำดูเสียงดูวาทำแล้วใจสงบไหมคุณละเดศครับ ลูกอยากทราบว่าระหว่างสมุดสงกับคารวะที่ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้ทานถือศีลภาวนาใครจะสามารถเห็นธรรมและบรรลุธรรมได้ดีกว่ากันครับเพราะผมเห็นทุกในการเลี้ยงชีพทําทุกอย่างเพื่อเลี้ยงร่างกายครับมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนว่าถ้าปฏิบัติมากปันิบันน้อยท่านั้นน่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสมุดสงหรือเป็นคารวะคารวะบางคนอาจจะปฏิบัติก้าวหน้ามากกว่าสงบางรูปก็ได้ นั่มันไม่ได้อยู่ที่การเป็นเพศพระนะั้ น, เ ป, นเป็นเพศโยมเป็นอยู่ที่การปฏิบัติของเราทางศีลภาว น, นาของเราหรือศีลสมาธิปัญญาของเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่นั่นที่ต่างกันกับทับสุดท้านะครับอาจารย์ครับคุณเลมอนครับคุณพ่อป่วยมาหลายปีทุกมากจะมีวิธีให้คุณพ่อเข้าใจและยอมรับอย่างไรครับก็อยู่ที่ว่าคุณพ่ออยากจะเรียนรู้ทำมากหรือไม่ถ้าคุณพ่อไม่อยากจะเรียนรู้เราก็ไม่สามารถที่จะบอก ที่บอกท่านได้ให้ตรงอยู่ที่ตัวท่านอยู่ดีๆเราจะไปสอนพ่อไม่ได้ต้องพ่อลงามาถามเราก่อนครบเวลาครับอาจารย์ครับถามได้ถึงสามทุ่มห้านาทีครับคำถามหลังจากนี้ต้องขอติดไว้ก่อนนะครับอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้เพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f ฟ c e b o o หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนนะครับ ใน y o ย t u b บ629คนในคับ House 9คนวันนี้มีเพื่อนๆฟังทาอยู่ด้วยกัน 1,790 คนครับอาจารย์ครับวันนี้เก๋อจะทำสติสติ New h i g ฮหรือเปล่าไม่รู้นะมั <c oughs> นเก่งนานๆจะได้อยู่แต่ครั้ง <c oughs> ก็ดีจะนา่งว่ามีคนสนใจมากขึ้นกันไนดะ้หรืออาจจะเป็นหัวข้อความที่น่าสนใจแล้วอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่มีรายการอย่างอื่นมาดึงไปก็ได้ บางครั้งบางช่วงบางเวลาก็มีงานอย่างอื่นเช่นงานกรถินบากงานกีฬาถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมันก็อาจจะหนึคนดูไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหแต่การพูดกันเฉยๆว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันขึ้นไม่ล ง, ม, ลงมันงานที่จังเหมือนกันาขอให้เราอย่าไปอยากให้มันขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันถ้ามันจะลงก็ปล่อยมันลงไปมันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปเราก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมเราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันเหมือนเดิม จะมีแค่สองร้อยคนเราก็ต้องพูดพูดคุยกันเหมือนเดิมอยู่ดียังตัวเรืนี้ไม่มีความหมายอะไรมากนอกจากว่าอาจารย์ดีตรงที่มีคนได้รับประโยชน์มากเท่านั้นเองจากการที่มาฟังกันมากหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปการแสดงสารวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปไปไ ป, ไ ป, ปฏิบัติไปพิจารณาไปปฏิบัติ ให้เจริญในถารมยิ่งขึ้นไปเอริอทุกส่าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก้ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไ้เพียงเท่า น, นี้ถ้าไม่มีอะไรขาดเข้าก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจริญพรกลาวขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ